การเจริญมรรคก็ขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าคุณไม่ชีแล้วก็ญาติที่ทำทุกคนนะก็นั่งสบายๆนะไม่มีสามเณรไปนิพพานหมดละ ที่นี่ที่นี่ใช้คาว่าที่นี่แผ่นดินนี้เราจะเห็นเรื่องกฎพระไตรลักษณ์ชัดเจนมากเราเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะกระพริบตาไม่ได้เลยหายใจเขายังไม่ออกเนี่ยปุ๊บเปลี่ยนแปลงแล้วนะถ้าในทางโลกถือว่าไม่ดีเลยชีวิตเราจะไม่สงบนิ่งมันเปลี่ยนแปลงตลอดแต่ถ้าในทางธรรมเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาก นี่แหละคือฐานทีตังแล้วปฏิบัติเราเดินแล้วปฏิบัติแนวไหนก็ช่างนะฝึกแนวไหนก็ช่างเพื่อให้เข้าถึงกฎปติลักษณ์คือลักษณะสามประการของธรรมชาติคือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะและที่นี่นี่มันเห็นแบบเป็นรูปประทับเลยเนื่องจากของเราเนี่ยเป็นมหาสติปัฏฐานมันตีออกมาแสดงทางกายภาพด้วยมันทําให้เห็นอะไรจัดจะเลยนะไม่ใช่ไปเห็นในอารมณ์ของจิตนะก็เสาที่แล้ว ออบางท่านก็บอกว่าพ่อครูไม่สบายก็20ยี่สิบปีแล้วเนี่ยไม่มีคำว่าสบายหรือไม่สบายเสาที่แล้วร่างกายพ่อครูมันไม่ปกติปกติแล้วมันปกตินะมันไม่มันเกิดความไม่ปกติเฉยมันไม่มีความรู้สึกไม่สบายหรือว่าสบายนะก็หลายคนถามพ่อครูเป็นยังไงช่วงที่เป็นปกติบอกมันเป็นปกตินะแต่เสาที่แล้วมันไม่เป็นปกติ นะก็คือธาตุไฟมันอาจจะมากหน่อยหนึ่งช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงก็แล้วแต่เพราะครูก็เห็นเราก็ไม่ได้อะไรคือจิตไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็รู้อืมร่างกายเป็นอย่างนี้แล้วก็พักผ่อนปรับสมดุลเขานิดหนึ่งนะปรับความปกติของเขาเขาก็ปกติขึ้นมานะแต่ถ้าว่าชีวิตเรานี่ต้องการแต่ความสบายนะสบายคือร่างกายต้องปกติแล้วรู้สึกพึงพอใจมีความสุขกับสิ่งนั้น่นะเราชอบสบายแบบนั้นก็คือความสุข เมื่อไปติดสุขแบบนั้นพอร่างกายมันไม่ปกติขึ้นมาเนี่ยเราเลยบอกว่าเราไม่สบายเห็นความสบายไม่สบายเราเกิดขึ้นที่ความพอใจนะถ้าเราพอใจปุ๊บเราบอกว่าสบายนั่นคือความสุขพอมันเปลี่ยนแปลงปุ๊บเนี่ยร่างกายไม่ปกติเราก็เลยรู้สึกว่าไม่สบายไอความรู้สึกไม่สบายมันก็กระชากจิตเราลงไปที่ใจนั่นแหละมันก็เพิ่มอุณหภูมิของความไม่สบายขึ้นมาอีกนะ นี่นคือเป็นอุปทานอย่างหนึ่งภาษานี่มันเป็นติดบวกนะเพราะครูยี่สิบปีแล้วไม่มีคําว่าสบายหรือไม่สบายมันมีแต่ปกติกับไม่ปกติแค่นั้นเองนะะมันไม่ปกติแล้วก็ปรับจูนมันหน่อยหนึ่งเหมือนรถยนต์มันเสียก็จะไปทุกข์กับมันทําไมแล้วก็ซ่อมแต่ทีนี้เราเราไม่ชอบรถยนต์เสียไงพอมันเสียมาก็เลยทุกข์เลย ทุกอย่างนั้นนะทำไมเป็นอย่างนั้นทําไมเป็นอย่างนี้นะทุกแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปซ่อมเหมือนเก่านะแต่ถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงว่ามันเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงนะร่างกายมันก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะเพราะครูถึงบอกว่าไอความคิดที่บอกว่าจะเป็นรักษาร่างกายเนี่ยไปไหนไปรักษาร่างกายนี่เป็นเราเข้าใจภาษาผิดนะแค่คิดเฉยก็ผิดแล้วพูดออกมาก็ผิดอีกแล้วร่างกายนี้รักษาไม่ได้นะ จิตใจก็รักษาไม่ได้มันเกิดดับเกิดดับนะแต่เรารักษาสุขภาพร่างกายได้ตามอัตภาพเรารักษาสุขภาพจิตได้ตามอัตภาพใช่ไหมไอ้ร่างกายรักษาไม่ได้นะสักวันหนึ่งมันทิ้งเราแน่นอนนะเราต้องฝึกทิ้งมันก่อนนะก่อนที่มันจะทิ้งเราแต่ดาบใดที่ดียังอาศัยร่างกายนี้เนี่ยดําเนิน <c oughs> เดินทางเจริญมั่งเนี่ย <c oughs> เราก็ดูแลเขาตามอัตภาพนะดูดูแลสุขภาพร่างกายไม่ใช่เป็นรักษาร่างกายนะนี่แะนี่แหละภาษามันสอนให้เรารักษาร่างกายเรวเราได้ เ, เ, เคยชินว่าเราต้องการรักษามันนะไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลงพอร่างกายมันเจ็บมันแก่มันจะตายเราก็เลยทุกข์ไงนะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งเพราะครูก็บอกว่า ไม่ได้ดื้อรัน้นไม่ได้อะไรที่ผ่านมาเนื่องจากว่าเราขับรถกี่พันกิโลมันก็ไม่เหนื่อยไม่อะไรก็ยี่สิบปีพรอครูทําท่านในทางโลกก็ถือว่าทำงานเยอะใช้ร่างกายมันเยอะแต่ไม่ได้ทําจากความอยากหรืออะไรทำพาะทําจิตมันไม่มีเหนื่อยความเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยมันคือเวทนาเกิดขึ้นที่ใจมันทําด้วยจิตแต่ก็พอช่วงหลังมาก็เห็นแล้วว่าเอ้ยกายภาพมันเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพพรอครูก็เริ่มมาดูมันเออก็เห็นมันมา่า ต้องดูแลมันหน่อยหนึ่งไอ้ที่ไม่เหนื่อยนี่ยิ่งอันตรายเลยเพราะว่าเราจะใช้มันเกินความเป็นจริงนะถ้าใช้จิตทํางานมันไม่รู้สึกเหนื่อยหรอกนะมันทำไปเรื่อยๆเขามันนะพูดสามสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงก็ไม่รู้มันไม่มีเงื่อนไขเวลามันไม่รู้สึกเหนื่อยแต่ว่าในแง่กายภาพเนี่ยมันก็ต้องรับมันก็เป็นกรรมอย่างหนึ่งนะเป็นการกระทําอย่างหนึ่งซึ่งเราไปใช้มันเกินความเป็นจริงเนี่ยมันก็เกิดความไม่ปกติขึ้น นะช่วงหลังมาพ่อครูก็เลยบอกเออก็ดูแลเขาตามมัตภาพนะนี่ก็พูดให้ฟังว่าเสาที่แล้วเนี่ยพ่อครูร่างกายมันไม่ปกตินะแล้วก็เราก็ปรับจูนนิดหน่อยหนึ่งมันก็เกิดความปกติขึ้นมานะแต่ว่าอย่าไปคิดว่าเราจะรักษามันไว้ให้มันเป็นปกติตลอดเวลาเนี่ยนะมันรักษาไม่ได้ มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะไม่ใช่เรียนพุทธศาสนาแค่ท่องจำแค่รู้ไปจำมาพูดเฉยๆนะะจิตต้องเข้าถึงต้องต้องต้องต้องทำได้นะต้องทำได้จริงๆนะนะไม่งั้นมันพ้นทุกข์ไม่ได้นะนะมันพ้นทุกข์ไม่ได้ก็อันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องปกติกับไม่ปกติให้ฟังนะอย่าไปติดสบายหรือไม่สบายไม่ติดสุขทุกข์ไม่เกิด ทุกไม่เกิดสุขก็เกิดอยู่แบบสุขๆโดยอย่าไปติดมันไอ้สุขตัวนี้เนี่ยไม่ได้เนื่องด้วยความสบายที่มันสุขเพราะว่ามันไม่ทุกข์เท่านั้นเองไอ้ความรู้สึกทุกข์มันไม่มีแล้วก็อยู่แบบสุขๆนะอย่าไปติดมันนะสุขตัวนี้เนี่ยเป็นสุขที่บริสุทธิ์ไม่ได้เกิดจากการได้อะไรเลยไม่มีอามิตรที่มันมีความรู้สึกสุขเพราะว่ามันไม่มีอาการรู้สึกทุกข์เลย นะอารมณ์ที่เขาไม่ทุกเลยนะคือเป็นสุขอย่างยิ่งนะอันนี้ก็ต้องเข้าใจเรื่องภาษาด้วยภาษานี่มันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากแต่มีโทษมหาศาลเลยนะภาษาเนี่ยถ้าสื่อกันรู้เรื่องทำให้เข้าใจกันถ้าสื่อกันภาษาไม่รู้เรื่องทำให้เข้าใจผิดกันทะเลาะบอแวงนั่นก็เรื่องภาษานั่นแหละนะทาษานี่เขาคงไม่มีเรื่องอะไรทะเลาะกับลิงนะเพราะมันไม่มีภาษา มันก็เลยไม่ต้องทะเลาะกันแต่มนุษย์เราเนี่ย อ, อยิ่งรู้ภาษาเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งพูดไม่รู้ภาษาเพราะว่าอะไรเราไปหลงภาษาเราไปตีความภาษาเนี่ยเข้าข้างทิฏฐิมานะของตัวเองช่วงหลังมานี่ปีสองปีนี้พ่อครูจะพูดเรื่องภาษาเยอะมากเพราะทําทไปทํามาเรารีวิทย้อนไปดูว่าเออมนุษย์เรามันทุกข์เพราะอะไรใช่ไหม มั น, ม น, มนโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเนี่ยมันทะเลาะเบาแว้นกันเพราะอะไรเพราะเจาะลึกเข้าไปเนี่ยภาษาภาษาเป็นกิเลสต้นต้นเป็นกิเลสต้นต้นเลยนะทําไมเรียกว่ากิเลสสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงคือตัวทุกข์อะไรที่ไม่ใช่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติอะไรที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งปรุงแต่งทั้งหมดนะ เป็นสิ่งปรุงแต่งทั้งหมดหเกิดมาเป็นเบบี้เป็นเด็กทาลกไม่มีชื่อคุณแม่กบก็บอกว่าชื่อจีจี้นะชื่อพี่สายนะก็เลยกลายเป็นสายเป็นจีจี้ขึ้นมาล่ะนะพอพี่จีจี้ด่าพี่สายพี่สายก็ทุกพอพี่สายด่าพี่จีจี้พี่จีจี้ก็ทุกแต่ถ้าพี่จีพี่จีจ้ไม่มีชื่อเนี่นะยใครก็ด่าพี่จีจี้ไม่ได้เราทุกเพราะเรามีชื่อ อันดับแรกไอ้ชื่อนี่แหละเป็นอัตราต้นๆเกิดมาใหม่ๆไม่มีชื่อเนี่ยใครก็ดา่าเราไม่ได้นะเราไม่มีวันถูกดา่าเห็นไหมทาสานไม่เห็นมันมันไปดา่าลิงดา่าเออไ อ, อเสือที่ไหนนะมันไม่มีภาษาเนี่ยพวกเราเนี่ยเป็นสัตว์ประเสริฐสามารถสร้างภาษาขึ้นมาได้เหมือนเป็นสิ่งที่ดีนะ บางคนแย้งพ่อครูนะเคยไปพูดที่ไหนก็บอกเอาพ่อครูภาษาไม่ดีพ่าครูใช้ภาษาพูดทำไมเห็นไหมเห็นไหมใช้ภาษาสื่อทำไมเข้าใจไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีทั้งหมดมันมีประโยชน์แต่มันมีโทษมหานเลยถ้าใช้มันไม่เป็นทุกอย่างมันเป็นของคู่ไงไม่ใช่ดีเลอเลิศ <c oughs> มันเป็นสิ่งตรงแต่งต้นๆ้นตั้งแต่เราเกิดมา เราถูกพี่สายไปเอาเอาเอ า, เอ า, เอาน้ำร้อนกับน้วแั้นแบบพอเราปรุงเข้าไปปรุงเข้าไปปรุงเข้าไปเนี่ยมันเป็นสัญญานะนะขันห้าเนี่ยเป็นตัวปรุงแต่งนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะขันห้ามัน มันเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนะสิ่งปรุงแต่งมันเกิดจากไอตัวไอตัวขบวนการของขันหน้านี้แหละนะเทวดาเขาไม่มีเขาไม่มีนะเขามีหน้าที่เสพสุขอย่างเดียวเป็นอารมณ์สุขนะแต่มนุษย์เรามีร่างกายนะเริ่มจากเรามีกายเรามีอายตนะนะ ไอ้ตัวนี้แหละอัยตนะนี่ทำไมพ่อครูถึงเลือกวิปัสนามันมีฐานที่จะมาเจริญเยอะแยะมากอุบายวิธีในการเจริญสมถกรร ม, มาฐานเจริญนิปัสนากรร ม, มาฐานเนี่ยฐานคือฐานที่ตั้งแห่งการดําเนินมีหลายอุบายวิธีนะแต่ที่นี้พ่อครูก็ไปไปหลังจากมันระเบิดแล้วเนี่ยพ่อครูไม่ได้ไปถูกวิชาไหนครอบงําไป ไปฝึกแบบวิชาวิชามานะมันระเบิดตุ้มเลยมันเข้าไปสู่สภาวะเดิมของมันทีนี้เราค่อยกลับมาดูภาษามาดูว่าเขาฝึกกันเนี่ยเขาทําอะไรกันอยู่วิชาจเจริญสมาธิแบบใช้ลมหายใจตั้งว่าพุโทโธก็ได้สัมมา阿拉หังก็ได้อะไรก็แล้วแต่ตั้งชื่อนะบางคนก็เอาเ อ, า อ, าอารัยบทของร่างกายเนี่ยยุบพอง เป็นอริยบทบาปเหมือนกันนะอริยบทของการยุบพองเนี่ยมาเป็นอุบายวิธีเป็นฐานที่ตั้งแห่งการเจริญสติเจริญสมาธิเจริญสตินะก็เป็นอีกวิชาหนึ่งนะมันมีหลายหมวดวิชาที่ที่เป็นอุบายวิธีนะเพื่อให้มาเจริญสมาธิเจริญสติอันนั้นเป็นหมวดวิชานะเป็นหมวดวิชาเท่านั้นที่มาฝึกสมาธิฝึกสติมันไม่ใช่มัส พราครูยังจะเน้นเข้ามาอีกนะเพราะวันนี้แก้วทิพย์ก็กลับมาเพราะครูจะพูดเรื่องเรายังไม่รู้เลยลูกเพราะครูช่วยพูดเรื่องวิธีเราปฏิบัติทั้งวเพราะว่ามีญาติธรรใหม่ๆมาเนี่ยเขายังไม่เข้าใจแนวนี้ก็เออไม่เป็นไรก็ก็เดี๋ยวจะพูดให้ฟังเพราะว่าโดยเฉพาะเราปฏิบัติมานานก็ช่างบางทีปฏิบัติปฏิบัติก็เพลินเพลินก็ลืมพอไปได้ยินคนข้างนอกก็พูดอะไรบ้างก็เขย อ, อีกเพราะว่าเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยมันอ่อนไหวมากนะมันพลิกได้ตลอดเวลาเลยนะ ถ้าเราไม่เข้าใจว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เนี่ยโดยเฉพาะไอแนวที่มันไม่มีแนวเนี่ยมันไม่มีแนวเพราะอะไรเพราะว่าพวกครูมไม่ได้สอนอะไรเลยเห็นไหมไม่ได้บอกเลยว่าเอาท่านั่งท่ายืนท่าเดินท่านอนซ้ายหันขวาหันนะเห็นไหมไม่ได้บอกไม่แต่หนึ่งอย่างไม่ได้สอนอะไรเลยทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมาจากจิตเราเองข้างในที่เราเรียกว่าอินไซเอานะทําในทำคือทำมารมณ์ที่มันอยู่จิตใต้สํานึกของเราเนี่ย เหมือนเราเข้าไปในเว็บไซต์คอมพิวเตอร์นั่นแหละถ้าเราคลิกเข้าไปในเว็บไซต์เพลงใช่ไหมมันก็จะออกข้อมูลเพลงออกมาทางมอนิเตอร์ทางกายภาพเห็นไหมไอ้มอนิเตอร์นั่นก็คือเหมือนร่างกายเราเนี่ยมันก็ออกมาเราคลิกเว็บไซต์อะไรเข้าไปอย่างนี้มันก็จะออกมาอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันเราเข้าไปในจิตในจิตนะแล้วก็ไปเสพอารมณ์อยู่ในจิตใต้สำนึกเรียก ว, ว่าธรรมในธรรมนั่น ถ้าถึงขั้นทำในธรรมนั้นน่ะมันเป็นจิตไร้สํานึกนะถ้าเป็นในจิตใต้สํานึกเนี่ยมันยังมีสํานึกอยู่นะถ้าเป็นจิตไร้สานึกน่ะมันเข้าไปในธรรมอันนั้นแล้วแต่อารมณ์มันละ่ะมันอยู่เหนือสมบูรณบัญญัติทั้งปวงละ่ะมันก็ออกมาทางกายภาพนะกลายเป็นว่าเราใช้กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยฐานทั้งสี่นี่เป็นที่ตั้งแห่งการดําเนินมรรคของเรานะ พยายามจะชี้เรื่องนี้ให้ชัดเจนและทุกคนจะได้มั่นใจว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ที่เราไปฝึกสมาธิขวาหนอย่างหนอซ้ายหนอพุทโธหรือว่าไปเพ่งอะไรก็ช่างนั่นมันเป็นอุบายวิธีในการฝึกสมาธิฝึกสติมันไม่ใช่มั้นะก็บอกแก้วทิศว่าช่วงนี้พระครูก่อนจะเอาภาษาครูบาอาจารย์รูปไหนองค์ไหนเนี่ยมาใช้เนี่ยพรอครูก็ต้องพิจารณาถ่องแท้ก่อนว่ามันติดบ่วงไหม เป็นอะไรไหมนะโดยเฉพาะคำพูดช่วงหลังนี้ที่พ่อครูเอามาจะเอามาใช้เพราะว่ามันเข้ากับวิธีนี้มันเป็นการสะท้อนให้เห็นเข้าใจวิธีนี้ชัดเจนขึ้นคำพูดหลวงปู่ดุลก็ทันยุคทันสมัยท่านพูดมาเมื่ อ, อไหร่พ่อครูไม่รู้นะแต่ว่าก็ได้ยินเร็วๆนี้ที่บอกว่าจิตส่งออกเป็นสมุทยัยผลของการส่งออก คือทุกจิตเห็นจิตคือมรรคจำไว้นะจิตเห็นจิตคือมรรคผลของจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือนิโรธแล้วทุกวันนี้นี่มาอยู่ที่อริยบทกายกับเวทนาขวาหนอย่างหนอ้ายหนอพุทโตหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเข้าไปถึงจิตหรือยังไม่มีแล้วตอนนี้มาดูจิตมาเพ่งจิตใครดูจิตเพ่งจิตเนี่ยยังไม่ใช่จิตเห็นจิตนะ พราเขาคิดว่าเอาทีลรสเต็ปสเต็ปมาคือเขาเข้าไปในจิตไม่เป็นมันยังไม่ใช่มาร์ชนะอย่างพวกเราเวียงเวียงเข้าไปในจิตในจิตเลยเนะี่ะเราเห็นจิตยอย่างทองแท้เป็นช่วงๆบางอารมณ์เราเห็นปุ๊บ ม, มันสว่างปุ๊บนั่นแหละสภาวะที่มันสว่างมันวางแล้วมันเขาว่างนั่นคือนิโรธแต่เป็นนิโรธเป็นช็อตช็อตชอตชอตนะมันยังไม่ถึงขั้นว่าเราเบิดทีหนึ่งแล้วมันอยู่กับเราตลอดเวลาเราอยู่ในมาร์ตลอด เหมือนคนบ้าลัมไปลัมมาตีลังกาไปตีลังกามันเป็นเรื่องจิตในจิตทั้งหมดเลยเป็นเรื่องจิตปัจจุบันเห็นอารมณ์จิตในอดีตเป็นมักตลอดมักจึงต้องเข้าไปในจิตในจิตไม่ใช่ไปเจริญมักอยู่ข้างนอกไม่ใช่ไปเพ่งข้างนอกไม่กันหมดข้างนอก น, อ น, นั่นกลายเป็นจิตส่งออกกลายเป็นตัวอยากนะเป็นตัวสมูทัยนะอยากเจริญสติอยากเจริญสมาธิทรงออกตลอด คำว่าส่งออกคืออะไรมันไม่ได้เข้าไปในจิตมันส่งมันเอาฐานกายฐานเวทนานี่ยเขาเป็นฐานกายอย่างหนึ่งนะเวทนานี่เกิดขึ้นที่ใจตาหูจมูกลิน้นกายใจเป็นอิตนะยังอยู่ในส่วนของกายเวทนาเกิดขึ้นขึ้นที่ใจพอเดินไปเดินมาอาริยบทต่างๆน ะ, จะเจริญสติโดยโดยอาศัยฐานกายเดินไปเดินมามันเหนื่อยมันก็เกิดเวทนาขึ้นนะ แล้วก็พิจณาเวทนาในเวทนาขั้นตอนนี้ยังไม่ใช่มากเป็นแค่วิชาเจริญสติวิชาเจริญสมาธิที่บอกเข้ากรรมฐานกรรมฐานส่วนมากอยู่ในสัมมาฐากรรมฐานๆๆมันยังไม่ใช่วิปัสนาวิปัสนาที่แท้จริงต้องนี่แหละก็นี่แหละก็ยึดหลักขบวนการของฐานทั้งสี่คือกายเวทนาจิตธรรมเราต้องเริ่มจากเรามีฐานกายก่อนนี่แหละเข้าใจไหม มันก็ตามธรรมชาติมันจะทำงานอย่างนี้หูได้ยินเสียงปุ๊บมันก็จะส่งไปให้ไปรู้อารมณ์ที่ใจโดยธรรมชาติของวิญญาณหกใช่าา 6, ส, สัมผัสอารมณ์อยตนะภายในหกตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมันกระทบผัสสะกันสองส่วนนี้แล้วเนี่ยเมื่อวิญญาณถ้าวิญญาณไม่รับรู้ด้วยเนี่ยผัสสะยังไม่เกิดนะยังไม่เกิดสมสมบูรณ์ความความรับรู้ยังไม่เกิดเมืเ่อเรานอนหลับสมิทเนี่ย เวลาเสียงเด็กร้องไห้เสียงมันวิ่งมากระทบประสาทหูเห็นไหมแต่เราไม่รู้เรื่องขั้นตอนนั้นผัสสะยังไม่เกิดร้อยเอร์เซ็นแต่ถ้าวิญญาณหูรับรู้ปุ๊บมันจะเกิดแผลการรับรู้เกิดขึ้นปุ๊บมันจะเกิดพลังเนี่ยพลังกระทบเรียกว่าพลังพลังกระทบผัสสะมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติของมันทีนี้พอหัวใจเรามันเต้นปุ๊บมันจะเกิดแรงดึง อันนี้ก็เป็นทาเป็นพลังธรรมชาติที่มนุษย์ไม่ต้องสร้างขึ้นเราไม่ได้สร้างอะไรเลยเพราะครูไม่ได้สร้างแม้แต่หนึ่งขบวนท่ามันเป็นไปตามธรรมชาติแต่ที่เรารู้ขบวนการทางานแบบนี้ใช่ไ้มเวลาเรานั่งอยู่เนี่ยสมมติว่าสมองยังไม่ได้คิดอะไรตาไม่เห็นรูปอะไรจมูกไม่มีกลิ่นลิ้นไม่มีรสร่างกายไม่ได้กระทบผัสสะยังไม่เจ็บไม่ปวดไง สิ่งที่เราสร้างเป็นเครื่องมือให้ได้คือสร้างเสียงไม่ได้ฟังเพลงนะฟังเสียงเสียงนี่คืออายตนะไงอันนี้คือขบวนการเราไปรู้การทำงานของอายตนะทั้งหกวิญญาณทั้งหกเ่็นไหผู้นั่งไม่ต้องทำอะไรเลยถ้าเราไปกาหนดท่าปุ๊บนี่มันเป็นวิชาที่มนุษย์สร้างขึ้นมันเป็นสิ่งกรุงแต่งมันไม่ใช่ธรรมะมันไม่ใช่ธรรมะมันเป็นหมวดวิชาทันทีเลย ครูบาอาจารย์รูปนี้ฝึกมาอย่างนี้ความก้าวหน้าก็มาจากตรงนั้นก็เอาตรงที่ตัวเองฝึกมาอย่างนี้เนี่ยมาถ่ายทอดให้ให้สานุรสิทธิ์ต่างๆเดินไปตามขบวนกันเป็นหมวดวิชานะแต่ที่พวกครูพูดถึงว่าตอนนี้ศูนย์เนี่ยที่เรากำลังดำเนินมา20ปีเนี่ยนะมันคืออะไรนะมันคือมกักมันเป็นขบวนการที่เราไปเข้าใจ อยายตนะภายนอกอยายตนะภายในถ้าเรารู้เท่าทันอยนายตนะนี่นะขันห้าปรุงแต่งไม่ได้ถักแต่ว่ารูปเกิดเขาด่าเราปุ๊บกระทบหูวิญญาณหูรับรู้ปุ๊บเกิดผัสสะปุ๊บเราดับรูปเกิดจบแล้วก็ดับเวทนาเกิดขึ้นไม่ได้เพราะจิตวิญญาณเนี่ยวิญญาณมันรู้เล่าทันไงมันมันไม่มันไม่ ม, ม, มกระทบที่ใจ ตัดเลยเห็นไหมรูปเกิดดับขันห้าพุงไม่ได้ขันห้าพุงไม่ได้ปฏิลาสมุทบาทขับเคลื่อนไม่ได้วัฏฏะสงสารดับนี่คือขอบวนการเราต้องรู้นะมันเกิดอะไรขึ้นกับเราเหมือนบา้บาๆลำไปลำมาเหมือนอะไรๆจริงๆแล้วนี่คือธรรมชาติแต่ไอคนที่ไปกําหนดตัวเองไปกดให้มันเป็นหุ่นยนต์อันนั้นนะบา้าบ้าเพราะอะไรเพราะไม่รู้ธรรมะไม่รู้ขบวนการทํางานของธรรมชาติของอายตนะ ของขันห้าเขาไม่รู้จริงรู้แบบวิทยาศาสตร์แก่รู้แบบแยกประเภทเอาทีลฐานมามากำหนดเพื่อเจริญสติแล้วก็เขียนหนังสือออกมาขายกันหลายหลายเล่มนะพูดชัดๆเลยว่าทุกอย่างจบที่สติใช่ถ้าฝึกวิชาสติทุกคนก็จบที่สติแต่มักไม่ใช่อย่างนั้น สมุทัยนีโลดมักคุณพระเจ้าตัดสรุปแค่สี่อย่างนี้ส่วนแต่ขแขนงเป็นร้อยๆเล่มเป็นพันเล่มมันเป็นเรื่องธรรมะ ย, ย่อยอริยสัตตรีไงความจริงที่ยิ่งใหญ่สี่ประการของธรรมชาติพระพุทองค์พูดแต่เรื่องอะไรคือตัวทุกข์อะไรคือเหตุแห่งทุกข์อะไรคือความดับทุกข์อะไรคือหนทางแห่งการพ้นทุกข์ ฝรั่งเพื่อนพ่อ ก, กูเนี่ยเขาเคยตอบว่าพ่อ ก, กูหลายปีก่อนพา น, น้องทีกับน้องดอนกลับไปบ้านเกิดเมืองนอนเขาเพื่อนนอกศาสนากขาบอกศาสนาพุทธขี้ทุกพูดแต่เรื่องทุกเนบอกว่าศาสนาพุทธไม่ได้ขี้ทุกนะศาสนาพุทธไม่ได้มองโลกในแง่ลายศาสนาพุทธไม่ได้มองโลกในแง่ดีแต่ศาสนาพุทธมองโลกในแง่ความเป็นจริงเพราะเรามีทุกเป็นประธานวันแรกเกิดมาก็แหกปากร้องไง เห็นว่าเรามีทุกเป็นประธานผู้เจ้ายิ่งใหญ่มากพระองค์ตรัสรูอะไรไปเห็นสิ่งนี้ไงเรามาติดสุกกันทั้งที่ว่าสุกมันไม่มีมันไม่มีขายมีเงินสี่แสนล้านมันก็สุกไม่ได้มันไม่มีขายมันมีแค่ความสะดวกสบายแค่นั้นเองมันไม่ใช่สุก เห็นไหมพระองค์ไม่ได้พูดเรื่องสุขแต่พระองค์พูดเรื่องนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งมีเรื่องเดียวเรื่องสุขเป็นอย่างยิ่งที่นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งสภาวะนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะว่าจิตดวงนั้นเขาดับทุกข์ได้แล้วอาการที่เขาไม่ทุกข์เลยเขาอิสระมากเป็นอารมณ์ที่เป็นสุขอย่างยิ่งเพราะว่ามันไม่ทุกข์เท่านั้นเองมันไม่ได้อะไรเลยมันไม่มีอะไรเลยนะะมันไม่ต้องแครี่ไม่ต้องแบกหามอะไรเลยนั่นแหละเป็นสภาวะที่เป็นสุขอย่างยิ่ง เราต้องเข้าใจตรงนี้นะแล้วตอนนี้แตกแขนงกันไปใหญ่เลยาศาสนาพุทธเรานะแตกกันไปหลายเสียงหลายเสียงตั้งลัทธินั้นลัทธิมาแต่ละคนชูธงของตัวเองขึ้นมาหมดเห็นไหมนะเพราะอะไรก็เพราะเรียนตามตัวหนังสือมาเนี่ยแล้วก็ไปเชื่อตามทิฏฐิมานะของตัวเองก็ไปชูธงที่ตัวเองเชื่อขึ้นมาเลยกลายเป็นลัทธินี้กลายขึ้นมาแต่ถ้าทุกดวงจิตเข้าไปถึงก่อน เมื่เข้าถึงจริงๆแล้วมันไม่ตั้งรัทพีหรอกมันไม่จะเวียงทิ้งหมดหรอกมันจะไปตั้งทําไมแต่ที่ตั้งๆกันอยู่ไม่ต้องพิสูจน์หรอกก็คือยังไม่ถึงถ้าถึงแล้วมันไม่ตั้งแน่นอนสายวัดป่าสายวัดบ้านสายโน้นสายนี้ตอนนี้สายโพธิสัตว์กําลังดังเพราะครูก็บอกเองขึ้นทุกภาษาพูดว่าขึ้นโพธิสัตว์แต่โพธิสัตว์ในไวยากของพวอครูเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ความเป็นโพธิสัตว์เป็นอัตตาอย่างนั้นนะ มันเป็นสภาวะธรรมของดวงจิตซึ่งเขามีมีเมตตาสูงมากนะตัวเองบรรลุธรรมแล้วก็ไม่ใช่จบแล้วไงมายุ่งกับคนอื่นทำไมเนะ่ะเขามีจริยแบบนั้นแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่นะหลายลัฐที่ประกาศตัวเลยว่าจะเป็นพระโพธิสัตว์จะส่งสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ทั้งหมดจะทำลายวัดตาสงสารแล้วเขาจะเป็นคนสุดท้ายอธิษฐานบา ร, รมีอย่างนี้เนี่ย คนสุดท้ายแน่ๆเพราะครูคนดึงหลัะไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าสอนแบบนั้นอริยสัจสีไม่ได้พูดว่าให้ใครเป็นอะไรพูดแต่เรื่องทุกข์เหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์หนทางไปสู่การพ้นทุกข์โดยเฉพาะไอตัวสุดท้ายนี่หนทางไปสู่การพ้นทุกข์นี่สำคัญมากมัก้ไม่ใช่ไปฝึกสติไม่ใช่ไปฝึกสมาธิ เราต้องใช้สติสมาธิปัญญาศินศักยภาพอินทรีย์ทุกอย่างพล่าทุกอย่างที่มีอยู่เนี่ยเดินทางแม่นๆ น, นะเดินเข้าไปไหนไปในป่าหิมพานหรือไปที่อินเดียภูเขาหิมะไรไม่ใช่เดินเข้าไปในจิตในจิตจิตเห็นจิตนั่นคือมรรคจิตเห็นจิตอย่างแก่นแก้งคือ น, นิโรธไงตบว่าเอาละ คำของปู่ดุลนี่ก็ออกมาทันยุคทันสมัยนะคำของโอโชหลายหลายอย่างพเพราะครูก็มาถึงจนๆเข้ามาตีโจทย์อันนี้ทําให้พระครูมองเออเ อ, อการใช้ภาษาในยุคนี้ก็ต้องระวังเพราะว่าเป็นต้องจะต้องเป็นเป็นเป็นภาษาซึ่งทันยุคทันสมัยซึ่งคนสมัยใหม่เขาฟังแล้วเขารับได้นะการที่เราจะไป ยืมภาษาของคูบาอาจารย์อะไรแม้กระทั่งพุทธเจ้าดิ้นเราก็ยืมภาษาพระองค์ที่เป่งออกมาเนี่ยเราก็มาพูดต่อนะเพื่อป้องกันไม่ให้เราต้องไปสร้างรัฐที่ใหม่ใช้ภาษาอะไรของเราพูดออกมาเพราะครูนี่ใช้ภาษาชาวบ้านมาตลอดน่ะเพียงแต่ว่าบางครั้งเรื่องจิตมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเรื่องลึกซึ้งมากแล้วผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยเขาจะอิงอยู่กับเรื่องภาษาวิชาการบ้างนะทีนี้มาพิจารณเคาะภาษาของหลวงปู่ดุลธคำนี้แล้วเนี่ย มันไม่หลุดเพียงแต่ว่าพ่อครูเปลี่ยนนิดนึงพรแก้วทิศเขาออกมาจากเว็บไซต์มาดูเว็บไซต์พิมพ์เข้าไปไม่ใช่ถูกหรือผิดนะแต่พรอครูฟังแล้วคือคือตัวที่พระท่านบอกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งนี่คือมรรคผลของจิตเห็นจิตนั้นคือนิโรธพ่ะครูก็เอาตัวแจ่มแจ้งนี้ออกขั้นตอนแรกจิตเห็นจิตเนี่ยคือมรรคละแต่เมื่อจิตผลของจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งนั่นแหะคือสภาวะนิโรธ นะเพียงแต่ว่าภาษานี้ก็อยู่ในกรอบของอริยสัจสี่ไม่หลุดงไงก็ใช้ได้ก็ไม่เป็นไรนะแต่เน้นเรื่องนี้เพื่อทุกคนเข้าใจว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ไม่ใช่ไปติดบ่วงไปฝึกสมาธิฝึกสติอยู่นั่นกี่ปีกี่ปีตลอดชาตินี้สี่ห้าสิบปีก็อยู่ตรงนั้นละ่ะนะและบางคนมีญาติธรรมที่เป็นเด็กวัยรุ่นที่ศรีสะเก่หลายปีก่อนเคยมาที่นี่ เขาเป็นนักปฏิบัติธรรมอยู่นะก็ไปหาครูบาอาจารย์เดี๋ยวมา่อเวียงเวียงได้ทีนี้เขาบอกไอ้วิธีนี้มันเวียงแล้วมันทําให้มันนิ่งเร็วขึ้นนะเขาก็พาเพื่อนเข้ามามา่อเวียงเพื่อให้มันนิ่งพวครูบอกเขาไม่ได้จบอยู่ที่นิ่งนะเขาไม่ฟังเขาไม่ฟังเขาบอกอันนี้เป็นขั้นเริ่มต้นเพื่อทําให้มันนิ่งต่อไปก็คือไปจบอยู่ที่นิ่ง ที่หลวงพอ่งพอชาท่านเน้นเรื่องนี้บ่อยๆนะฮนะมัวแต่ถือศีล น, นั่งสมาธิมันจะไปไหนมันก็อยู่ที่สงบนิ่งๆนั่นแหละมันจะไปไหนแต่ตอนนี้ครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์ก็สอนให้ไปสงบให้มันนิ่งไอ้ตัวนั้นคือขบวนการทางผ่านนะเมื่อเราฝึกสมาธิแล้วเนี่ยยังเราเวียงแรงๆปุ๊บเนี่ยมันก็จะหาจุดศูนย์กลางของมันก็จะนิ่งเราไม่ได้ทาให้มันนิ่งนะ แรงเวียงเนี่ยมันจะปรับสมดุลมันจะหาจุดศูนย์กลางของมันมันจะนิ่งเมื่อมันนิ่งปุ๊บมันจะเสพอารมณ์ว่างเมื่อมันว่างปุ๊บเขาไปสู่สภาวะว่างไม่ถูกแรงดึงของแรงเวียงของวัตฏะสงสารหรือแรงอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะวางทุกขังก็จะดูดลงมาแต่ไม่ใช่ไปจบที่นิ่งนะส่วนมากเราไปจบที่ทําให้มันนิ่งมนุษย์ไปทําให้มันนิ่งไปฝึกสมาธิให้มันนิ่งไปกดให้มันนิ่งมันไม่ได้นิ่งด้วยตัวมันเอง แรงเวียงของจิตเน <Yeah. S 1> <him S 2> so ี like ่ยต้องให้มันนิ่งด้วยตัวมันเองแล้วมันว่างด้วยตัวมันเองไม่ใช่เราไปทำให้มันนิ่งไม่ใช่ทำให้มันว่างไม่ใช่ไปทาให้มันวางนะมันต้องดำเนินของมันเองแต่เราไปสร้างบทวิชามาทำให้มันสงบนิ่งไปกดให้มันนิ่งแล้วก็นิ่งอยู่ได้ชั่วคราวไงและตอนนี้นี่ก็ไปสร้างอุปทานว่าคล้ายๆว่าไม่ต้องปฏิบัติด้วยนิโรธมีอยู่แล้วความว่างมีอยู่แล้ว นะเหมือนเราบอกว่าจิตเดิมแท้เป็นพระพัฒสอนนั่นแหละแต่ตอนนี้มันไม่แท้แล้วไงมันเป็นจิตปรุงแต่งแล้วไงอันนี้ก็อันตรายมากนะไม่ต้องไม่ตัง้ไตงไม่ต้องคิดไม่อะไรเลยมันนี่โลดวางอยู่แล้วไม่ต้องทําอะไรเลยฟังเทศก็พอมีไม่มีบางคนฟังเทศทีหนึ่งนี่บรรลุธรรมเลยพราษารีบุตรล้วถามว่าหนึ่งในล้านมีไหมหนึ่งในร้อยล้านมีไหมมันไม่มีไง มันเป็นอย่างนั้นผู้เจ้าก็ไม่ต้องพูดเรื่องมากก็ น, นีโรดเลยพราะครูก็ผ่านตรงนั้นมาแล้วนะสามชโมงตู้เลยนะทําไมพ่อครูจะไม่รู้ล่ะว่ามันมันว่างอยู่แล้วก็ว่างอยู่แล้วไม่ต้องทําอะไรระเบิดเลยระเบิดระเบิดระเบิดรู้ต้องรู้ให้มันรอบรู้ทั้งหมดนะไม่ใช่รู้ครึ่งเดียวแล้วทําให้คนอื่นสับสนเป็นนิพานแห้ง พอเราวางความคิดได้พอเรามันจะคิดมันก็ไปบอไม่ต้องคิดอะไรก็ไม่ใช่ทั้งนั้นไม่ใช่ทั้งนั้นไม่ใช่ทั้งนั้นตอนนี้ป่อแขกเองกำลังสู้กับจิตตัวรู้ตรงนี้จิตดวงนึงมันบอกว่าอะไรก็ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่จูนหนึ่งกระดิ่นเดาเดาเดาเดาทุกอยู่ตรง น, นั้นละ่ะถ้าเรารู้จริงเราต้องอย่าทุกข์สิไอจิตมามันกำลังมาสอบเห็นไหมรู้จริงหรือเปล่าทำไมรู้จักภาษาพูดรู้จักความคิดเงี่ย แต่สภาวะจิตจริงๆมันยังวางไม่ลงอะ่ะอันนี้ก็เป็นกรรมอย่างหนึ่งซึ่งกำลังต้องรับอยู่แล้วตอนนี้กำลังสร้างกรรมใหม่กันสร้างใส่ประทานเข้าไปบอกว่าไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นอะ่ะมันว่างอยู่แล้วนี่โรดอยู่แล้วใช่จิตเดิมแท้มันเป็นประสอนแต่ตอนนี้มันไม่แท้แล้วมันเป็นจิตปรุงแต่งแล้วแม่ผู้เจ้าจะสอนให้เราขัดเกลาจิตให้ผ่องใสทาไมล่ะ ใช่ไหมไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไรมพวกครูไม่ทายังทำนะสามชั่วโมงนั้นยังทำอยู่แตเราไม่รู้หรอกมันเข้าไปอยู่ในมัดในนั้นนะสามชั่วโมงเนี่ยมันลุยมันเต็มเลยไงแล้วทำไมไม่สอนพวกเราบอกว่าระเบิดเลยระเบิดเลยมันไม่ใช่มันต้องรู้ให้รอบรู้หมดเลยใช่ไหม แต่ไม่ใช่ไปทีละขั้นไปทีละสะเตจแบบว่าเออไปทีละขั้นเหมือนเราเรียนป .1 ป .2 ก็ไม่ต้องถึงขนาำนั้นเพียงแต่ว่าทุกคนต้องเข้าไปมรรคจิตต้องเข้าไปในจิตให้ได้วิธีไหนก็ช่างเข้าไปในจิตให้คือจิตเห็นจิตคือมรรคแนะ่มรรคมันอยู่ข้างในนะไม่ใช่ไปเดินอยู่ข้างนอกไปไปอินเดียหรือไปไปที่ไหนไม่ใช่นะมันอยู่ข้างในนี่แหละจิตเห็นจิตคือมรรค จิตผลของจิตเห็นจิตอย่างแจ่งแจ้งคือนิโรธพ่อครูไม่สงสัยไงพรอครูสัมผัสอารมณ์นั้นมาแล้วแต่ทําไมพ่อครูไม่เอาอารมณ์นั้นมาสอนเลยไม่ต้องไม่ตัง้งไม่ต้องปฏิบัติหลงเหมือนกันเป็นการหลงอย่างหนึ่งเป็นนิพานแห้งเหมือนบางครั้งพวกเราก็สัมผัสนะบางอารมณ์ที่เราวางได้มันก็ว่างสว่างไปหมดเห็นไหม ถ้าเราดำรงสภาวะนั้นได้ตลอดเวลานะี่ยก็ไม่ต้องปฏิบัติแล้วไงจริงๆไม่ต้องปฏิบตัติก็มันจบแล้วไงแต่มันไม่ใช่จบจริงๆมันเป็นสภาวะธรรมมันปลดได้บล็อกทีเรบล็อกทีเราบล็อกแต่เราก็สัมผัสเรื่อยๆแล้วต้องเข้าใจนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นระเบิดอะไรทิ้งนะไม่ใช่เที่ยวนี้เนี่ยหลวงพี่นบก็กลับไปบ้านแล้วก็มาสอบอารมณ์กับพรอครูอะไรก็ได้อะไรเยอะแยะ นะอยู่ที่นี่สองปีไงมาเป็นทาศานอยู่พอออกไปข้างนอกเห็นวาราชิตคนหมดเลยเห็นความไร้สาระหมดแต่อยู่ไปอยู่มาคนข้างนอกไงมีการอุปถามนะมีมีการโดยเฉพาะพระภิกษุอะไรข้างนอกเขาดูแลดีมากเนี่ยเห็นไหมท่านถึงมาบอกว่าเข้าใจละไอ้ที่เราปฏิบัติอยู่นี่นะมันหลุดได้ง่ายๆเหมือนกัน มันหลุดได้ง่ายๆเหมือนกันนะก็บอกวันนั้นยระวังเพราะว่าอินทรีย์เราเรารู้บางทีเราเข้าไปเราสัมผัสปัญญาเราเกิดอยู่แต่ภูมิของปัญญาเนี่ยมันยังไม่แน่นเขาเรียกว่าภูมิปัญญาเห็นไหมภูมิตัวนี้ก็คืออินทรีย์พระลรของมันเนี่ยมันยังไม่แก่ก้านเลยถ้าช่วงอารมณ์มากระทบแรงกว่านะไอปัญญาที่มีอยู่ถูกครอบเลยเนี่ยสติสเตอหายหมดกระแสกรรมนี่มันมาในรูปของ ของของมารของอะไรเนี่ยนะถึงบอกว่าผู้เจ้าถึงเตือนว่าอย่าประมาทถึงเราไม่ประมาทแค่ไหนกระช่างเราก็ไปอยู่กระแสกรรมไม่ได้เพียงแต่ว่าถ้ามีสติอย่าประมาทต้องยึดศรัทธาไว้ด้วยนะต้องยึดศรัทธาไว้ด้วยก็มันก็จะทำให้เราเนี่ผลอนนักเป็นเบานะไม่ถึงขั้นว่าลุดวงจรไปเลยนะอันนี้ก็ให้เราเข้าใจไม่งั้นแนวนี้เนี่ยข้อกังขามาเยอะใครๆก็รับไปได้ โดยเฉพาะสังคมไทยนะพวกครูเคยเพิจารณาหลายหลายปีว่าถ้าเราจําเป็นต้องทําหน้าที่เนี่ยจําเป็นต้องออกไปต่างประเทศก่อนไหมเพราะคนต่างประเทศเนี่ยเขาไม่มีวิตกเฉลี่ยเหมือนคนบ้านเราแล้วเขาไม่ถูกคําว่าศาสนาเนี่ยครอบงําจริงๆแล้วศาสนาจริงๆนี่มันไม่มีตัวหนังสือหรอกแต่ศาสนาซึ่งเป็นตัวหนังสือแล้วมันก็เลยเป็นเรื่องไงก็เลยมามาม า, มาตีความตัวหนังสือที่แตกต่างกันและถูกไอไอไ อ, ไอรูปแบบของศาสนาครอบงาอยู่ นะเพราะใจบีดอกเล่มจริงๆเปิดออกมาเนี่ยต้องเป็นว่างเปล่าเลยไม่มีตัวหนังสือเลยนั่นหละขึ้นเล่มแท้ๆแต่ตอนนี้ถ้าเราพูดอย่างนี้เนี่ยเขากลายว่าบางคนพูดแรงเลยนะถึงขนาดว่าเป็นเอนศาสนาเลยเพราครูเพ่งได้ยินในเร็วนี้ว่าเนะียแล้วไม่ใช่คนคนอื่นนะญาติธรรมเคยมาใช้ศูนย์ตรงนี้นะแล้วพอหลุดออกไปแล้วก็ไปพูดกันแบบนั้นนะะว่าอมทําไมสร้างกรรมกันหนักหนาะสาหัส ยี่ิบปีของพระครูที่นั่งอยู่ที่นี่แน่ใจที่สุดเลยตัวเองไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างทำให้พุทธศาสนาเสียอายมีแต่ให้ส่วนวิธีการที่มันเจริญมากแนวนี้อยู่เนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องของปัจเจกเขาแต่ละบุคคลเราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนใครชอบไม่ชอบเป็นเรื่องของปัจเจกใช่ไหมไอ้คาว่าศาสนาของเขาเนี่ยถูกตีแคบมากเลยถ้าไม่ใช่สิ่งที่สังคมไทยดำเนินมาอยู่ก็คือไม่ใช่ พ่อครูท่าว่าช่วงนี้มีหนังสือโอโชอะไรท่านบอกเออไปอ่านอ่านกันหน่อยนะนัน่นนะไปอ่านจะได้เข้าใจว่าธรรมะมันคืออะไรธรรมะไม่มีภาษาไม่มีศาสน า, ไ ม, ม า, าไม่มีเพศไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละแต่ตอนนี้พอมันมีโครงสร้างศาสนาขึ้นมาแล้วเนี่ยตัวศาสนาเองยังทะเลาะ ก, กันอยู่แต่ขแขนงเป็นลทัทธินูน้นลัทธินี่แยะเลยเนี่ยนะแล้วมันจะไปเข้าถึงธรรมะได้อย่างไรเข้าไปถึงยังไง เรามาเจอแล้วเจอวิธีเข้าไปในจิตตรงๆเลยไงจิตในจิตไปเสพพาะครูใช้คาว่าไปเสพไม่ใช่พิจารณาไม่เพ่งคือโดดเข้าไปเสพอารมณ์ธรรมในธรรมธรรมอารมณ์นั้นเลยเนี่ยคือะบวนการเจริญมากก็คือเข้าไปเรียนรู้กับธรรมอารมณ์นั้นอันนั้นคือตัวกล่องปัญญาของเราคือประสบการณ์จริงๆหลายภพหลายชาติที่จิตเราดาเนินมา แล้วก็เข้าไปเสพอารมณ์นั้นเข้าไปเรียนรู้กับประสบการณ์จริงๆตรงนั้นนะเราต้องรู้นะอะไรที่มันเกิดขึ้นกับเราเดี๋ยวไปเขาถามไอ้ตอบไม่ได้ไม่เป็นไรถึงจะตอบยังไงเนี่ยมันก็ยังสงสัยอยู่เหมือนเก่าแหะเพราะคนที่สงสัยนะคนแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าความการลังเลสงสัยนี่คือ น, นิวรณ์หนึ่งในนิวรณนะ์หน้าก็ยังสงสัยอยู่ตรงนั้นแหละเอาใครแบกสงสัยก็ให้เขาแบกไปเขาไม่ได้ผิดนะเขาต้องรับกรรมของเขา กรรมคือการกระทำที่เขาฝึกให้เขาเป็นนักที่สงสัยนั่นเขาก็ต้องบอกคิดแบกขี้ตรงนั้นต่อไปเขาเป็นเรื่องกรรมของเขาเขาไม่ได้ผิดแต่ถ้าเราไม่แม่นเราไปให้เขามากระพุ้งเราหน่อยหนึ่งเราเองก็เกิดที่สงสัยขึ้นมากับตัวเองแล้วก็หลุดออกไปเลยเนี่ยเราก็ต้องแบกขี้ตรงนั้นไปเองอีกก็ไม่ใช่ผิดเีกนะแต่ว่ายังมากล่าวโทษพ่อครูหรือศูนย์แห่งนี้ศูนย์ไม่ได้ทาอะไรผิดศูนย์มีแต่ให้ ส่วนใครจะรับได้ไม่ได้มันก็เป็นเรื่องของนานาจิตตังกะครูไม่เคยกล่าวทั่วใครว่าใครถูกใครผิดนะก็ก็นิ่งๆอยู่แต่ว่าโอ้โหทำไมสร้างกรรมเยอะจะพูดอะไรก็พูดนะฮะจะมันมันเป็นวัชีกรรมนะก็ให้เราเข้าใจนี่แหละคือมรรคและมรรคนี่ไม่เห็นไมพวกเราไม่ต้องไปสตาร์ทใหม่มานำสมาที่ใหม่ ไอ้ไปฝึกสมาธินั่นฝึกมาสามสิบปีแล้วชั่วโมงนี้ไป น, นั่นก็ต้องไปเริ่มต้นสมาธิใหม่อีกบางวันก็เข้าสมาธิไม่ได้ด้วยเพราะจิตมันไม่นิ่งมันเป็นหมวดวิชาจเจริญสมาธิจเจริญสติแต่มักค์นี่ไม่ใช่เราจะเข้าออกเมื่อไหร่ก็ได้เห็นไหมเห็นไหมคือเราเดินทางมาเหนื่อยเราก็พักล้วก็นอนตื่นมาล้วก็เดินทางต่อนี่คือมัคคไง น, นี่คือมัคคจิต ไม่ใช่มานั่งทำสมาธิใหม่ทุกๆชั่วโมงอะนะอันนั้นเป็นเป็นวิชาสมาธิไปกดให้มันนิ่งไปฝึกให้มันสงบมันไม่ได้สงบด้วยตัวมันเองแต่ตัวเองไปติดตรงนั้นแล้วไปหลงตรงนั้นแล้วเลยกลายเป็นว่าถ้าใครไม่ทำเหมือนฉันเป็นมารศาสนาเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะครูยี่สิบปีโดนมาเยอะๆแต่ไม่ใช่สาระ พระคูไม่ต้องให้อภัยยาทานด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิด mm. เขารู้แค่นั้นมีแต่รอจังหวะรอเวลาถึง่ผกว่ารอให้มันผ่านปีนี้ครบยี่สิบจริงๆทีนี้พ่อคูก็ออกไปให้ให้แต่ต้องจำไว้ว่าดอกบัวสีเหลาอย่าไปคาดหวังอะไรให้ได้เฉพาะคนที่เขารับได้ถ้าคนยังไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ แต่ถ้าเราไปคาดหวังอะไรเลยเนี่ยเรามีความหวังมันเป็นอามิ t h มันเป็นการทานซึ่งมีวัตถุประสงค์มันไม่ใช่สุญญาตาทานนะเท่านี้พานกจะมาปรึกษาอะไรเยะว่าไปให้เราก็รู้สึกเออมันเบาเราได้ไปให้ธรรมาทานแล้วก็เราเออพนกนิ่งๆนะตรงนั้นบางทีมันหลอกเรานะมันก็ชักเราออกไปนะ น, นี่แหละคนที่ไปหลงข้างนอกเนี่ยมันกระชากออกไปแล้วเพราะครูก็มานั่งเป็นกระโโนอยู่ที่นี่ยี่สิบปีไม่ไม่มีอะไรไม่มีความรู้สึกอะไรเป็นแต่ว่าชี้ให้ดูว่าเรื่องจิตวิญญาณมันน่ากลัวมากอย่าประมาทอย่าประมาทนะหลายคนนี่ชีวิตดีขึ้นเขามังบัิบัติดีขึ้นไปตั้งหลายเปอร์เซ็นเยอะแยะมากเลยเพราะกระแสกรรมตัวเองเนี่ยปึ๊บตัวเองเป็นหลงกรรมเองเนี่ยถึงกลายเป็นว่า ฝึกวิธีนี้ไม่ได้อะไรเลยเขาลืมสิ่งที่เขาได้ไปทั้งหมดแล้วอนะแม้กระทั่งเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเป็นมาตั้งแต่เ อ, อตั้งหลายปีแนะล้วรักษาไม่หายอะไรเป็นลูกหมอลูกอะไรอะไรมาหายที่นี่นะพอหายแล้วก็ไปซิ่งอีกก็บอกว่าวิธีนี้ไม่ก้าวหน้าก็วันหนึ่งยี่บสี่ชั่วโมงนะเดือนหนึ่งไม่รู้ปฏิบัติกี่ชั่วโมงค้ากําไรเกินควรเนี่ย ไ, ไปเอกิเลดเข้ามาเยอะกว่ า, มาเมื่อเบี่ยงออกนิดนึงก็ไปก็ไปโทษวิธีนะมันไม่เกี่ยวกับวิธีไหนหรอกบางเอิญแนวที่เราทํานี่มันไม่มีวิธีเราปฏิบัติเองเราก็ได้เองเพราะครูไม่ได้สอนว่าต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้นะมีแต่เทศให้กําลังใจชี้ทางให้ถ้าจะหลุดก็เตือนเตือนเพราะครูไม่ได้บอกว่าต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้นะเราทําเองเราปฏิบัติเองมันไม่มีวิธี แต่พอหลุดแล้วปุ๊บก็ไปใส่เลยวิธีนี้เนี่ยเป็นเอดศาสนาด้วยนะเป็นมารศาสนาด้วยไปตั้งวิธีให้มันเองเนะี่ยมันมันไม่มันไม่มีวิธีนะบอกพ็ครูหน่อยว่ามีวิธีไหนที่มันสาเร็จรูปว่าเข้าไปปุ๊บนบี่บรรลุหมดเลยชีย้ให้ดูหน่อยไม่มีทุกๆุกแนวครูบาอาจารย์ที่ท่านบรรลุทำเนี่ยมันก็มีทั้งบรรลุกับทั้งไม่ไ ม, ไม่บรรลุนะ มันไม่เกี่ยวกับวิธีนะขอให้อยู่ในมัดส่วนเข้าไปในมัดแล้วนี่จริตแต่ละคนนี่จะใช้แนวไหนก็ใช้ไปขอให้เดินทางอันนี้เดินหยุดหยุดเดินเดินหยุดหุดเดินไปเก้าหนึ่งถอยไปสองเก้าเดินไปอีกสามเก้าถอยไปอีกห้าเก้าแล้วมันจะไปเก้าหน้าได้อย่างไรล่ะเห็นไหมก็เราเดินไปแล้วก็ถอยหลังเดินไปแล้วก็ถอยหลังอย่างนี้ก็เราเองไม่เก้าหน้าเองเนี่ยแล้วก็ไปโทษวิธี มันไม่เกี่ยวกับวิธีวิธีหนึ่งเดินขาหนึ่งวิธีหนึ่งเดินสองขาวิธีหนึ่งใช้ขานเอาวิธีหนึ่งใช้วิ่งเอาขอให้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ถึงนแนวไหนก็ได้แต่ว่ามานเนี่ยมันจะหลอกโดยเฉพาะไอ้แนวที่ไม่มีแนวของเราเนี่ยเพราะว่าอะไรเราไม่ได้สตาร์ทนับหนึ่งใหม่นะเราไปเอาศักยภาพเดิมของเราในอดีตที่เราฝึกมาชํานาญแล้วเนี่ยมันมาเดินต่อบางคนเดินมาเก้าสิบเปอร์ซ็นต์หรือแค่สิบเปอร์เ็นเองไอ้มาในตัวเรามันกลัวมาก มันกะหาเรื่องทุกอย่างให้เราหยุดแล้วต้องสู้กับมาเราเองนะไม่ใช่มาโทษคนนั้นคนนี้เออนี่แหละธรรมะหมาขี่เลือนะที่พระครูบอกตัวเองเป็นหมาขี่เลือนตัวเองเกาคันตรงนี้คันก็ย้ายไปที่อื่นก็ไปโทษว่าตรงนี้มันไม่ดีศูนย์มันไม่ดีไปย้ายที่อื่นไปที่ไหนมันก็คันหมดอ่ะมันไม่ได้อยนสิ่ที่สถานที่เกี่ยวกับตัวเองเนี่ยต้องรักษาไอ้ขี่เลือนของตัวเองช่นนะ ก็พูดหลายปีมาพยายามพูดกระตุ้นเตือนสติอยู่แต่บางทีก็เอาไม่อยู่เพราะเห็นไหมพิสูจน์อะไรใครก็หนีกระแสะกรรมไม่ได้ไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวนะเป็นเรื่องเฉพาะตัวกรรมใครกรรมมันบุญใครบุญมันนี่แหละคำนี่ชัดเจนลดวเฉพาะแนวนี้เนี่ยที่มันไม่มีแนวเนี่ยมันเห็นชัดเจนมากมันหลอกจิตตัวเองไม่ได้ช่วงอารมณ์ดีเนี่ยก็อ้ศรัทธาเยอะเยะ ช่วงที่กำลังรับกรรมอยู่นี่จิตตกลงไปเนี่ยลืมหมดเลยนะแถมกล่าวโทษด้วยเนี่ยแล้วมันจะไปก้าวหน้าได้อย่างไรเห็นไหมสนองคุณยังไม่สนองเลยเนี่ยไปสร้างกรรมใหม่เพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยมันก็เหมือนถอยหลังเนเพราะกูก็เห็นเนี่ยแล้วก็เดินหน้าแล้วก็ถอยหลังมาบนก็ไม่ก้าวหน้าแล้วมันก้าวได้ยังไงเธอเดินไปก้าวหนึ่งเธอถอยหลังสองก้าวมันก็ไม่ก้าวเธอก็เดินไปเรื่อยๆสิเห็นไหมนี่แหละมรคจิตนะ เราฝึกจิตนะจิตเป็นตัวหลุดพ้นไม่ใช่ฝึกสังขารไม่ใช่ไปสำรวมที่สังขารภายนอกไปติดที่รูปแบบไปกดข่มมันไว้สังขารนี่มันมีอายุขัยของมันมันต้องถูกเผานะมันต้องแยกส่วนกลับไปสู่สภาวะเดิมเป็นอากาศธาตุเป็นธาตุดินเป็นอะไรของเข้าไปแต่จิตนี่เป็นสิ่งที่ต้องเดินทางต่อไปทุกอย่างจบอยู่ที่จิต แต่ไม่ใช่จบอยู่ที่แค่สติตอนนี้สังคมไทยเราเนี่ยไปจบอยู่ที่แค่สติเกือบเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็ตไม่ใช่เพราะครูคนนึงบอกไม่ใช่แน่นอนชีวิตเราเนี่ยถ้ามีสติแล้วเนี่ยโอกาสพลาดพังเราก็น้อยนะเราไม่ไปสร้างกรรมใหม่นะแต่ลำพังสติอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอนะมักมีองค์แปดก็บอกแล้วเนี่ยมันต้อง ไม่ใช่ไปฝึกสติสติพ้อบอกสติอย่างเดียวก็ไปฝึกสติกันใหญ่เลยนะเหมือนนักกีฬาเนี่ยฝึกแข็งแรงอย่างนั้นหรอฝึกฝึกฝึกไม่เคยไปแข่งลงสนามเลยมันจะเกิดทักษะได้ยังไงสมมุติว่าเราฝึกเป็นนักยิงแม่นปืนเนี่ยนะในเวลาที่เราฝึกยิงปืนเนี่ยกับลงไปแข่งนี้ไม่เหมือนกันนะแรงกดดันอะไรมันไม่เหมือนกันนะเพราะเราฝึกนี่มันไม่มีคู่ต่อสู้ไง พอเราลงไปแข่งแล้วเราถึงจะรู้ว่าฝีมือเรานี่จริงๆมันแค่ไหนไงนี่ประสบอย่างนั้นแหละฝึกสติฝึกสมาธิมันต้องเดินทางนะต้องเดินทางก็เป็นธรรมะใหม่ที่เกิดขึ้นกับพ่อครูช่วงหลังนี้ก็คือว่าหลงป่าหาทางเดินออกจากป่าเป็นสิ่งที่เราควรทําไม่ใช่ไปฝึกสมาธิฝึกสติ คำง่ายๆแต่กระทบแรงมากมันจําเป็นแล้วต้องพูดความจริงไม่งั้นเสียเวลาตลอดทั้งชาติเนี่ยไปฝึกสติฝึกสมาธิตรงนั้นน่ะก็สงบเนี่ยหลายคนขึ้ น, น, คนคเหมือนเหมือนสงบเย็นลงแต่พอชีวิตจริงไปข้างนอกโดนกระทบขึ้นหนึ่งก็ตบ่าแตกมันไม่ได้เอาออกมันไปกดมันไว้เฉยแต่ถ้ากระบวนการเจริญมากสิเห็นไหมมันปวดปล่อย มันล้างออกทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันมันล้างออกทุกวันนะจิตในจิตเนี่ยจิตเห็นจิตล้วก็เห็นอารมณ์จริงๆเราแล้วเนี่ยเราก็ต่อสู้กับอารมณ์นั้นใช่ไหมเรียนรู้โดยอารมณ์นั้นมันมีปืนมันก็ยิงมาเอ่าเราก็ใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาเราหลกมันอยู่ในจิตไงนี่คือจิตในจิตคือเราลงสนามเลยแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ชนะไอามารในใจเราเนี่ย เห็นไหมเรารู้เท่าทันมันเหมือนเราเป็นเราเราผ่านการฝึกแล้วเราเป็นทหารมาแล้วเห็นไหมนั่นคือนั่นคือมัจแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่เราเขาไม่ถึงไปเพ่งดูน้นเพ่งดูนี่ตอนนี้ไปดูจิตเนียจิตมันเปื้อนอยู่มันก็ยังเปื้อนอยู่เหมือนเก่าเลยไปดูไปดูเห็นแต่เห็นแต่อารมณ์จิตสํานึกหยาบๆมันไม่ได้เข้าไปในจิตในจิตจิตเห็นจิตคือมัจนะผลของจิตเห็นจิตอย่างแจ้งแจ้งคือนิโรธ ให้ให้เข้าใจมัคคืออะไรส่วนเขาเขียนเรื่องภายนอกเนี่ยออการกระทําชอบอาชีพชอบวาจาชอบอันนี้เป็นเรื่องข้างนอกเป็นเรื่องข้างนอกแต่ว่าเรื่องข้างในคือจิตนะจิตเหมือนต้องเดินทางเรื่องข้างนอกกายภาพนี่มันเดินทางแค่ชาติเดียวนะคือคือเขาให้มัคภายนอกเพื่ออะไรหนึ่งสร้างบา ร, รมีไม่สร้างกรรมใหม่ที่จริงแล้วเนี่ย มักจริงๆต้องเป็นเรื่องของจิตนรวนๆจิตปัจจุบันเนี่ยเรามีหน้าที่ทําให้จิตปัจจุบันเนี่ยมันหลุดพน้นมันจะหลุดพ้นไม่ได้ถ้ามันไม่มีปัญญามันก็สู้อวิชชาคือความรู้ผิดที่เราถูกใส่มาตั้งแต่เกิดไม่ได้ถ้าส่วนหนึ่งกระแสกรรมในอดีตลหลายชาติเนี่ยมันก็ตัวส่งผลเนี่ยเห็นไหมเราก็าไปเอาบา ร, รมีเก่ามาด้วยมาต่อยอดบา ร, รมีใหม่บุญเก่าบวกบุญใหม่เกิดผลแต่ถ้าเราไม่ไม่ดําเนินบางคนแย้งพระครูว่า จำไม่ได้แล้วไปพูดที่ไหนะนะเขาก็ยกมือถามเมื่อพวกครูบอกว่าสัตว์โลกไปไปตามกรรมก็ปล่อยไปตามกรรมสิปฏิบัติทำไมฟังแล้วคล้ายๆใช่นะนะแต่มันไม่ใช่ปล่อยไปตามกรรมแน่นอนเนี่ยมันก็ไหลลงที่ต่าเหมือนปลาถ้ามันคิดแบบเราเนี่ยมันก็ไม่ต้องทวนกระแสมันก็ล้วก็ลอยตามสัตว์โลกไปไ ป, ไปตามกรรม กรรมเก่าบวกกรรมปัจจุบันกรรมใหม่นี่คือผลบุญเก่าบวกบุญใหม่คือผลไม่ใช่ประโยชน์ให้กรรมเก่าฝ่ายเดียวถ้าเราโยนให้กรรมเก่าฝ่ายเดียวเราเราเราไม่ฝึกอะไรเลยเราก็ถูกกระแสะกรรมนี่ส่งไปส่งไปวตัตะสงสารมันถึงเดินตลอดไงเนี่ยภาษาบางทีมันเป็นบ่วงนะเหมือนเหมือนเหมือนเขาก็จับได้เขาบอกว่าเขาพ่อครูบอกสัตว์โลกไ ป, ไ ป, ไ ป, ไปตามกรรมเขาปล่อยไปตามกรรมสิ น้องชายพ่อครูเองไอคนที่ลองเนี่ยปีหนึ่งเคยมาเขามาที่อยู่บนเขาก็เป็นห่วงพี่ชายเขานั่นแหละบ้าหรือเปล่าแล้วมานั่งถกกันเขาบอกยังไงก็ตายไงยังไงก็ตายไงทำไมไม่เสพสุกเล่าเขาคิดแบบแบบพูดออกมาตรงๆอะ่ะไหนไหนก็ตายแล้วก็ทาไมไม่เสพสุขล่ะมาทุกข์อย่างนี้ทำไม พากครูหลอกชี้หรือที่ทุกมันเป็นแบบไหนเหมือนเหมือนเราไม่ได้สะดวกสบายมันคือความทุกข์อย่างเง้ยต้องแบบเขามันถึงสุกไงพรากคุณเดืถานมาใหชี้เขาดูว่าเอออย่างพวกครูมาอยู่อย่างนี้เนี่ยมันทุกมันทุกอะไรทไําไปทํามาเขาก็ตอบไม่ได้แต่เขาสู้ไอ้โตกรรมกรรมที่เขาฝึกมาติดวัตถุนิยมเนี่ยไม่ได้แล้วใช่ไหมลูกชายเขามาจากอเมริกาดังนั้นก็ตัวเล็กๆมาที่ไล่แหลมทอง ต น, นั้นสูนย์ังไม่ได้สร้างด้วยเข้าไปในเสื้อซ่วมซ่วมซ่วมซึมซึมมาไน้ไอ้นั่งยองย่อเนี่ยมันอยู่เมืองนอกเนี่ยมันถามพ่อว่านี่อะไรเขาไม่รู้ว่าเป็นซ่วมนะเขาอกว่า น, นี่อะไรนะ พ, พ่อก็บอกว่าซ่วมอะไรเขาบอกว่าโอ้ยเหม็นเหม็นเหม็นที่นี่เปื้อนเปื้อนไม่อยากมาเด็กมันบริสุทธิ์มากนะแต่ความบริสุทธิ์ตรงนี้มันไม่บริสุทธิ์แล้ว ก็คำว่ากตัญญูรู้คุณต้องรู้คุณรู้โทษไม่ได้แปลว่าสนองตันหาการสนองตันหาแล้วไปหลงว่าเป็นการกตัญญูเนี่ยมันไม่รู้คุณมันเป็นโทษวัตตะสงสารมันจึงขับเคลื่อนไปเรื่อยๆไม่รู้กี่พวกกี่ชาติละไอตัวนี้ถ้าเราไม่ตีแตกนี่นะคำว่ากตัญญูเนี่ยมันหมินเมยมากระหว่างนรกกับสวรรค์เลยนะถ้า ไม่เข้าใจกระตันยูที่ถูกต้องเนี่ยกลายเป็นอักกระตันยูนี่ก็นรกล่ะแต่ถ้าเป็นหลงกระตันยูในทางที่ผิดอีกแบบหนึ่งคือเป็นสนองตันหาเนี่ยนะอันนี้วัดต่สงสารก็เดินฉันชาตินี้ฉันรักเธอเธอรักฉันชาตินี้ฉันเลี้ยงเธอชานหน้าเธอมาเลี้ยงฉันมันก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้นะเพราะครูโดนมาหมดแล้วยี่สิบปีมันสาสางจนไม่เหลืออะไรแล้วล่ะคือจิตข้างในมันไม่มีอะไรแล้วแต่กายภาพข้างนอกมันก็สอบ มีใครยิ่งใหญ่กว่าแม่ใช่ไหมมีใครยิ่งใหญ่กว่าคู่ชีวิตมีใครยิ่งใหญ่กว่าตัวลูกที่เราสร้างขึ้นมาท่านในแง่ทางโลกเนี่ยมันมันไม่มีละแต่นะข้างนอกมีก็คือมีมันก็เป็นแค่สมมุติแต่เราไม่ทำลายสมมุติแล้วก็ดูแลกันไปตามอัติภาพแต่ว่าเราไม่หลงเปลี่ยนความรักให้กลายเป็นความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา ทุกวันนี้มีแต่เอาความกตัญญูน่มาเป็นบ่วงมาหลอกกันเพียงเพื่อแก้ปัญหาสังคมเท่านั้นเองแล้วสุดท้ายกตัญญูก็สอนไอ้ตัวโลค ก, ก็สอนนะวัตถุนิยมมันสอนไปด้วยไงพอไอ้โรคมันโล่งมากๆแล้วเนี่ยกตัญญูมันก็มันก็ลืมหมไงคือคือค อ, อุณหภูพิของความอยากมันมากกว่านะจริงๆแล้วนี่เด็กๆไม่ต้องสอนอะไรเลยนะ อย่าไปใส่ความรู้ผิดให้เขาเองเท่านั้นเองเห็นไหมเขาจะมีคุณธรรมโดยตัวเขาเองคุณธรรมคือคุณสมบัติตามธรรมชาติซึ่งมันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติไม่ต้องสอนเลยแต่ทุกวันนี้เราไปใส่ไอ้ความรู้ผิดเข้าไปนี่แหละอันนี้กลายเป็นเรื่องไงไปปรุงแต่งให้เขาเมื่อมันเปเนี่ยนุ้บอกว่าพ่ออย่าเพิ่งระเบิดนะไม่ได้นะต้องรวยก่อนเนี่ยเพาะคูฟังแล้วเฮ้ยมันแรงขนาดนี้เลยนะบอกว่านี่บริสุทธิ์มากเลยแต่มันไม่บริสุทธิ์ เขาบริสุทธิ์มากเพราะว่าเขาคิดอย่างไรเขาก็พูดออกมาเลยไงแต่สิ่งที่เขาพูดออกมาเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์แล้วมันถูกที่พระครูบอกว่าตอนนี้เนี่ยมนุษย์เราเนี่ยอย่าเรียกว่ามนุษย์เลยคนทุกวันนี้เป็นคนพันุ์ใหม่ผสมด้วยควายกับหนูผสมกันเป็นลูกผสมมีเชื้อควายกับเชื้อหนูผสมกันกลายเป็นคนมันไม่เอาศาสนาเลย <c oughs> มันไม่เอาละนะมันเอาแต่เงิน หมองูตายเพราะงูภาษาไทยก็ดีนะหมองูตายเพราะงูงูก็งองูใช่ไหมเงินก็ก็งองูแฮงงก็งองูนะอะไรที่มันมันมันมันนั่นเป็นมันทําให้เราหลงนี่เป็นงองูหมดเนะ่ยไอ้งั่งก็งองูนะงองูหมดเลยนะเนี่ยหมองูตายเพราะงูนะทีนี้ มันเป็นไปแล้วไงเป็นมาหลายชาติแล้วแล้วชาตินี้ก็เราก็ถูกบ่มเพาะมาแล้วนี่ทําอย่างไรนะก็ทําตามพระพุทธเจ้าบอกแต่ตอนนี้ไม่ทําตามไม่พอยังเอาภาษาที่พระพุทธเจ้าบอกเนี่ยมาตีความเข้าข้างตัวเองมาทะเลาะกันอยู่ตรงนั้นแหละเวลาจเจริญมากมันก็เหลือนิดหนึ่งไม่พออยู่แล้วยังจะไปทะเลาะกันของฉันถูกของเธอผิดอยู่ฉันพูดแท้เธอพูดเทียมพูดแท้แท้บอกแล้วมันไม่มีตัวหนังสือ นะพุทธจิตเนีไงนะพุทธจิตนะก็เรื่องนี้ไม่ใช่พ่อครูไม่รู้นะว่าฝอใจหลิงซันพระอยู่ในภูเขาจิตจิตเดิมแท้เป็นประพัดสอนแต่ไม่ต้องถึงขั้นว่าไม่ต้องทําอะไรเลยเป็นหนี้เขาก็แกล้งลืมถ้าเราวางแล้วไงบรรลุแล้วนี่โลดแล้วแค่ไม่คิดเฉยก็นี่โลดแล้วอะไรใช่ไม่ใช่ถ้าไม่คิดจริงๆนะ แต่ไม่ใช่ไปกดไม่ให้มันไม่คิดถ้าจิตมันฉลาดแล้วพ่อครูพูดเองเนี่ยยี่สิบปีแล้วพ่อครูไม่เคยคิดเลยมันมันไม่คิดแล้วมันก็ว่างตลอดมันก็ไม่กังวลไงแต่ไม่ใช่ไปกดให้ไว้ไปเตือนนะอย่าคิดนะอย่าคิดนะไม่ต้องไปคิดหรอกอะไรก็ไม่ใช่ไม่ต้องไม่ตั้งไม่อะไรทั้งนั้นะเนี่ยพอเราไม่คิดแล้วก็เหมือนเราน่ะแล้วก็สิ่งแวดล้อมน่นทุกคนไม่ต้องทําอะไรเลยเหมือนเหมือนโลสสบายนั่นแหละกลายเป็นว่าเหมือนเรานิรโรษแล้วเราว่างสบายมันว่างจากความคิดไง แต่มันเป็นนิพานแห้งมันเป็นอุปทานมันไม่ได้เกิดจากจิตซึ่งมันวางได้จริงๆนะอันนี้ก็เป็นบ่วงตัวหนึ่งก็ต้องระวังกันนะก็อันนี้พราครูไม่ได้บอกว่าถูกผิดอันนั้นเป็นอุบายวิธีเหมือนหมอโรคจิตนั่นแหละพอเราไปหาหมอแล้วเ น, นี่ยเขาจะใช้อุบายวิธีเนี่ยทำให้เราคิดบวกคิดบวกคิดบวกไงนะคิดบวกนั้นคือสร้างอุปทานใหม่มาปกเกือนอุปทานเดิมเท่านั้นเอง ไปยิ่งไปยิ่งหมักหมักหมมนะเท่า น, นี้พระครูก็คือ น, นำเสนอพวกคนที่เขาเขาเป็นคนรุ่นใหม่แล้วเขาตระกูลนี้เขาฝึกอยู่ในาศาสนามาตลอดใช่ไหมสามสิบกว่าปีอะไรเนี่ยนะนั่งรถมาด้วยกันพระครูก็บอกว่าในศูนย์เราเนี่ยมีสร้างสินสินค้าชนิดหนึ่งเรียกว่าฐานใบาชาตัวมันเองนี่ไม่มีกลิ่น นะสังเกตพอเราเผาฐานเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอมาอัดเป็นก้อนปุ๊บเรามาบดแล้วมันจะมีเปียกเนี่ยนึ่งมันจะมีความชืน้นฐานนี้มันจะดูดเร็วมากนะทีนี้พอเราบดแล้วเนี่ยพอเรามาอัดใหม่ปุ๊บเนี่ยปุ๊บต้องเข้าออห้องอบใหม่อบปุ๊บต้องมาเซียเลยปิดเลยปิดเลยมันดูดให้มันดูดฝาลงไปเลยเห็นไหมตอนนี้เนี่ยมนุษย์เราเนี่ยใช้คําว่ามนุษย์เราใช้วิธีดับกลิ่นแบบไหน ทุกคนตอบเหมือนกันหมดเลยเอากลิ่นหอมนี่ไปกบเกลือนกินกินอับเห็นไหมสร้างอุปทานใหม่ให้มันได้กลิ่นหอมไม่ได้กลิ่นอับเพราะไอ้ความหอมมันหมดไปมันก็กลายเป็นกลิ่นอับอีกตอนนี้วิทยาศาสตร์เราแก้ปัญหาแบบนี้หมอจิตวิทยาก็แก้ปัญหาแบบนี้คิดบวกคิดบวกคิดบวกคิดทุกปรนมโนกรรมสร้างอุปทานใหม่ขึ้นมากบเกลือนอุปทานเก่าที่เขาสร้างอุปทานใหม่ไม่ต้องคิดไม่ต้องไม่ต้องไม่ตั้งนี่ก็เป็นอุปทานใหม่นะ มันไม่ใช่ของจริงแต่ฐานของเรานี่ตัวมันเองไม่มีกลิ่นเปิดออกมาต้องรีบเปิดต้องรีบใช้งานนะไม่ใช่ว่าอุย้ยใหญ่ขนาดนี้ไปใช้ก้อนเดียวบอกว่าไม่ได้ผลนะอย่างตู้เย็นเนี่ยสัว่าเปิดสักสองก้อนปุ๊บเนี่ยเอาทุเรียนเนี่ยกลิ่นเหม็นเม็นเข้าไปเนี่ยนะมันมีกลิ่นออกมาเนี่ยเปิดสองก้อนปุ๊บปิดปุ๊ บ, บมันจะดูดกลิ่นเข้าไปทันทีเลยมันจะดูดกลิ่นอับโดยตรงไม่ใช่เอากลิ่นหอมไปกบเกินกลิ่นอับทุกวันนี้มนุษย์เราเนี่ย แก้ปัญหาที่ปลายเหตุแล้วก็สร้างบนภาวะขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะความคิดแบบนี้แหละผู้เจ้าบอกดับทุกดับที่เหตุสาเหตุต้นเหตุของมันอยู่ที่ว่าใครจะมีวิสัยทัศน์วิชั่นมีปัญญารู้ต้นเหตุของมันเนี่ยถ้าเราดับที่ต้นเหตุเลยนี่จบตลอดการถ้าดับต้นเหตุไม่ได้ก็ดับที่สาเหตุด้วยนี้ต้องฟังดีๆนะเพราะคูจะชี้ให้ดูเห็นชัดๆ เด็กชายแดงเด็กชายดอนวิ่งร้อยเมตรแข่งกันพอไปถึงห้าสิบเมตรเด็กชายแดงลม้มลงไปร้องไห้คุณแม่เนื่องจากรักลูกมากๆเลยวิ่งมาเนี่ยรู้ว่าลูกทุกข์เพราะมันร้องไห้ถ้ามันเลิกร้องไห้มันจะเลิกทุกข์หยุดร้องไห้ลูกเดี๋ยวแม่ซื้อขนมให้ซื้อจักรยานให้แม่ดับทุกข์ที่ปลายเหตุใช่ไหมอีกคนนึงวิ่งมาเพื่อนเขาบอกว่าฉันรู้มากกว่าคุณแม่นะอะสาเหตุที่เด็กชายแดงร้องไห้เพราะมันลม้ม อีกคนหนึ่งวิ่งมาเนี่ยฉันรู้มากกว่าเธออีกเด็กชายแดงที่มันล้มเพราะมันขัดขาตัวเองไม่มีใครไปผลักมันเลยอีกคนหนึ่งวิ่งมาบอกว่าฉันรู้มากกว่าเธออีกเด็กชายแดงที่มันขัดขาตัวเองเพราะมันวิ่งไวเกินไปเห็นไหมอีกคนหนึ่งวิ่งมาบอกว่าฉันรู้มากกว่าเธออีกฉันเป็นเพื่อนสนิทมันเด็กชายแดงเนี่ยที่มันวิ่งไวเกินไปเพราะมันอยากชนะมันบอกฉันว่ามันอยากชนะตัวสมุทรไทย คือสาเหตุแห่งทุกข์แต่ทำไมมันมีสมุทัยตรงนี้ต้นเหตุของมันคืออะไรมันมีกิเลสกระแสะกรรมกรรมเก่านะทำให้มันมีความรู้สึกกิเลสทำให้เกิดตัณหาตัณหาทำให้เกิดอุปทานอุปาทานทำให้เกิดทุกข์ถ้าเราไปแก้ที่ต้นเหตุมันเลยคืออาสวะขย้ายยานเนี่ยวิชาที่สามเนี่ย ยานรู้ว่าด้วยการกาจัดอาสวะกิเลสไงคือต้นเหตุทั้งหมดนะแต่กิเลสเนี่ต้นเหตุของการสร้างกรรมคือเรามเาีเราสร้างกรรมเพราะเรามีกิเลสกิเลสคือต้นเหตุของการสร้างกรรมผู้เจ้าเลยไปศัสรู้สิ่งนี้ไป แ, แก้ศาสนาพุทธแก้ที่ต้นเหตุแต่วิทยาศาสตร์ทุกวันนี้แก้ที่ปลายเหตุมันเหม็นมันอับฉีดกินกินหอมกบเกินแค่จะได้ดมได้ความหอม พอมันเลอกหอมมันก็อับอีกใช่ไหมแต่ผ่านใบทาเรานี่ไม่มีกลิ่นเลยมันดูกินอับโดยตรงเลยไงอันนี้มันคืออริยสัจสี่ไอ้ฐานก้อ น, นำดำๆเนี่ยทุกอย่างมันเกิดจากปัญญาไม่ใช่เกิดจากความรู้ถ้าพ่อครูเป็นเรียนรู้วิทยาศาสตร์มาเนี่ยพ่อครูจะไม่กล้าทําตรงนี้แต่บังเอิญมันพิสดารมากเกินไปมันเจงขายไม่ได้ไง <c oughs> ร้านสรรพสินค้าที่อุบลเขาก็ไปตั้งโชว์ให้เรานั่นแหละแต่เขาไม่รู้ก้อนอะไรนะแต่พอคุณนิดไปไปแสดงไปโชว์ที่นั่นน่ะเขาไปถามเขาขายหมดเลยมันมันไม่มีการโฆษณาเพราะคนยุคนี้เขารู้แต่ว่าไอ้ที่จะดับกินได้ต้องมีกลิ่นหอมไปดับกินอับไงเขาไม่เคยอันนี้เป็นสินค้าใหม่ที่สุดในโลกใครเขาคิดไม่ถึงเพราะว่าความคิดคิดปุ๊บก็คิดตามภาษาตามที่มันเรียนรู้มาไง จะเอากินอะไรเห็นไหมเขากินยูคาลิปตัสเอากินอะไรที่หอมหอมไปดับไปกบเกลื่อนเห็นไหมเพราะเราชอบกินหอมด้วยใช่ไหมในรถยนต์เนี่ยแทนที่จะเอาไอ้ฐานใบชาที่มันมีกลิ่นไปดูดกินอับเนะแต่เร า, เากินหอมไปใส่เพื่อไปกบเกลื่อนกินอับนั้นนี่คือเราแก้ปายเหตุปวดหัวก็ไปซื้อยาแก้ปวดมากินแล้วก็คิดต่อพอพอฤทธิ์ยามันหมดมันก็ปวดอีปวดหัวนี่คืออาการคือผลของมโนกรรม พราะคูยี่สิบปีไม่ปวดหัวไม่เคยปวดหัวเพราะว่ามันไม่เคยคิดไงมันไม่สร้างกับมันก็ไม่ปวดเธอปวดหัวนี่เป็นอาการที่เราใช้มันมากเกินไปมันส่งสัญญาณเตือนภัยว่าเฮ้ยเธอเบาๆหน่อยแต่เราเบาแบบไหนใช่ไหมเราเบาไม่ได้ไงเพราะว่างานไม่เสร็จต้องคิดต่อต้องไปซื้อยามากบกเบื่อนความปวดแล้วก็คิดต่อมันก็เป็นไมเกมนสิเดี๋ยวก็เป็นมะเร็งทุกวันนี้วิทยาศาสตร์การแพทย์เรามาแก้ปายเหตุหมด เพครูรู้จากตัวเองทำไมรู้ถึงบอกว่าคนคิดคนคิดเป็นคือคนไม่คิดไม่ใช่คนคิดเก่งคนคิดเก่งยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์เรียกว่าคนคิดไม่เป็นเรารู้จากอะไรหนังสือตัวไหนเขียนลงมามันไม่มีมันรู้จากตัวเองไงก็มันเลิกคิดแล้วเราก็ไม่ต้องปวดหัวไงเราก็สบายสบายไงนี่คือเกิดจากตัวปัญญาที่มันเกิดขึ้นจากของจริงไงเห็นไหมไอ้ความรู้สึกหิวก็ไม่มี เพราะสมัยก่อนมันอยากกินไงพอไม่ได้กินมันก็เลยหิวก็เลยท้องร้องกรอกไปเลยแต่ยี่สิบปีมาความรู้สึกหิวไม่มีความอยากกินมันไม่มีไงกินเพราะกินเนยมันเป็นอุปท า, านทั้งนั้นเลยความเจ็บปวดก็อุปท า, านนะก็อุปท า, านได้ยังไงดิฉันเจ็บจริงๆเนี่ยนะพอแปะศรีสมไทยตอนยังไม่ตายนะ่ะแปดสิบกว่าปีแล้ว พอเจ็บขาโน่นเจ็บนนี้ก็เข้ามาละเดเข้ามาละแปะตอนนี้เจ็บอะไรนะังมานั่งเวียงพอลมปานมันเดินก็หายหายแล้วก็ออกไปสิ่งต่อไปห่วงลูกห่วงหลานไปยุ่งเรื่องเขาพอไม่ได้ดั่งใจก็เครียดพอเครียดแล้วลมปานไม่เดินก็ค้างอีกต้องมาอีกตอนนี้ครั้งสุดท้ายมาเจ็บขาเพราะคู่เห็นพลังชีวิตแก่ อ, อนมากเลยก็ไม่ใช่โรคอะไรหรอกก็โรคคนแก่คนชรา บอกกรปปะแตกขาไม่ใช่ของลื้อเนี่ยมันเจ็บก็อย่าไปเจ็บตามมันสิเหีือวไม่ชีเคยเจ็บบอกไปชีมเจ็บอย่าไปเจ็บตามมันโง่นะแกก็งงไอ้พ่อคูพูดอะไรก็มันเจ็บอ่ะบอกกระแตะขามันเจ็บไม่อย่าไปเจ็บตามมันสิมนไม่ใช่ขาของลือแกก็มองแกก็งงงเน่ะไม่ใช่ขาว้วได้ยังไงนี่นี่ี่ว่าเดินมามันก็พาว่าเดินมาเนี่ขาอ้วบอกวันที่จะแปกกลับบ้านเก่าเนี่เอาขารือไปด้วยนะเห็นไหมงานศพแกนเนี่ย พ่อครูก็เข้าไปก็บอกกาม่าเห็นไหมเอาแปะเอาขาไปไม่ได้ขามันยังอยู่ที่นี่ไงมันไม่ใช่ของเราที่เราเจ็บเพราะเรามันพบุกว่าขาเราไงพิสูจน์นะเวลาโดนพึ่งต่อยตรงนี้บวมเลยใช่ไหมวิ่งไปจะไปทายาหม่องระหว่างทางไปเหยียบสะปูมันมาเจ็บตรงนี้ตรงนี้มันหายไปไหนมันของปลอมความเจ็บก็คืออุปทาน ทุกวันนี้เนี่ยเจ็บเจ็บเจ็บแก่แกแกตายตายตายนะเจ็บแก่เจ็บตายเป็นเรื่องของมันธรรมดาเราไปแก่กับมันไปเจ็บกับมันก็ไปตายกับมันทําไมล่ะเราคือจิตนะคนต้องตายจิตไม่มีวันตายเห็นไหมถ้าเราเข้าถึงจิตในจิตบ่อยๆไม่ใช่ไปเพ่งไปฝึกกรรมฐานไปฝึกให้มันสงบไปกดให้มันสงบไปฝึกวิชาสติอยู่นั้นมันไม่ใช่มั้ง มักต้องเข้าไปจิตในจิตจิตเห็นจิตเรียนรู้กับจิตเดิมนะทําในทำในนั้นน่ะทำอารมณ์ต่างๆนั้นคือประสบการณ์จริงๆของเราเลยละ่ะเป็นความจริงอย่างเดียวที่เหลืออยู่ในร่างกายตอนนี้คือจิตอย่างอื่นสมมุติหมดสมมุติหมดนะเพราะไอ้กระแสกรรมที่สร้างมาเราปฏิเสธมันไม่ได้ไอ้บอกไม่ต้องไม่ตั้งไม่เตึ้งอะไรอะไรเป็นหนี้ล้วฉันลืมหมดทุกอย่างแล้วเนี่ย คือคือถ้าถ้าคิดแบบนั้นนะคือว่าเอาอะไรเงี้น้อยเราเรับไม่สร้างกรรมใหม่นะต้องสร้างบา ร, รมีอย่างมากเลยครูวิ่งหนีออกจากวัดตาสงสารไงนะเพราะกระแสกรรมก็ต้องทําหน้าที่มันก็ต้องวิ่งหนีนะไม่ใช่ไม่ต้องไม่ตั้งอย่างนี้นอะนก็ต้องวิ่งหนีไงนะแล้วึวิธีวิ่งหนีก็คือแนละ้วก็กมามาอยู่ที่มรรคเหมือนเก่าแล้วบอกไม่ต้องทําอะไรเลยไงเพราะครูว่าไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนนะ ไม่ต้องไม่ตั้งไม่ต้องเจริญมากด้วยนีโลดมีอยู่แล้วอะไรอยู่แล้วนี่พวกคุยว่ามันถ้าไม่เข้าใจกันเนี่ยมันจะทําให้เข้าใจผิดแล้วเราจะพลาดทางชีวิตเรานี่จะเสียโอกาสเพียงแต่ว่าตรงนั้นเหมือนจิตวิทยาอย่างหนึ่งทําให้เราหยุดความคิดอย่าสร้างกรรมใหม่เราก็รู้สึกสบายไงคนเราถ้ามันไม่คิดมันก็สบายแต่ว่ามันไม่ใช่ไม่คิดเพราะว่าจิตมันวางได้แค่ไปเตือนสติบอกว่าอย่าไปคิดนะไม่ต้องไม่ตั้งไม่ต้องไปทําอะไรทั้งนั้น มันก็รู้สึกว่าเหมือนว่าเราเข้าสู่นิโรธแล้วมันเป็นนิโรธแห้งนิพานแห้งมันเป็นอุปทานอย่างหนึง่งนะอันนี้ก็กลับมาวกมานะเดินต่อไปพวกเราเดินต่อไปนะก็คือต้องมีการดําเนินเกิดขึ้นจเจริญมั้งดําดเนินคือเบี่ยงทิ้งเบี่ยงทิ้งไปเรื่อยๆสลัดออกนะและอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆหรอกมันมีเหตุของมันอยู่ นะแล้วแต่ละคนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่เหมือนกันเพราะว่าโปรแกรมชีวิตในอดีตในหลายชาติเนี่ยเราบันทึกมาไม่เหมือนกันมันเป็นขันห้าเราในอดีตแต่เป็นตัวสร้างบันทึกขึ้นมาสร้างสัญญาขึ้นมาเห็นไหมขันห้ามันเกิดดับทุกวินาทีนี่มันปุงปุงปุงปุงปุงปุงคิดปุกมันปุงนะฮะยวตัวอย่างขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบางทีไม่ใช่เกิดจากรูปอย่างเดียวนะไม่ใช่รูปก่อนนะ ย่าไปเข้าใจสิทนะสมมุติว่าเรากับในกรณ์ถ้ารอ ก, กันมาสิบปีเราแค้นมันมากวันดีคืนดีคืนนั้นอยู่ๆก็ไปคิดถึงในกรณไม่ได้เห็นหน้าในกรณเลยนะไปสปาร์ตไอ้สัญญาเดิมเกิดขึ้นเริ่มจากสัญญาเห็นหน้าในกรณ์ล อ, อยมาแล้วสันขานก็ฟุ่มเฟือยไปคิดถึงเรื่องอดีตว่าโหมึงในกรณแค้นมันมากเนียวิญญาณเกิดนักสู้เกิดขึ้นนะ แต่ว่ามันไม่มีในกอให้ด่านะตัวเองนอนไม่หลับนะมันก็เป็นกรรมไงมันเป็นกรรมเก่าที่เราไปบันทึกสัญญาไว้ไงนะทีนี้มันมีอยู่แล้วทำยังไงก็ามาเบี่ยงมันทิ้งมรคจิตเนี่ยนะการเจริญมากก็คือมาขัดเก่าพวกนี้ก่อนจะขัดหอมก็ต้องรับกรรมตรงนั้นก่อนรับนิบากทางจิตไงนี่คือมรคนะนี่คือมรคจิตชัดเจนนะ แต่บางเอิญมันแสดงอาการออกมาสําหรับคนทั้งนอกมันน่ากเกลียดมากแค่นั้นเองน ะ, นะแต่ว่าคนเราถ้าชอบนะน่ากเกลียดแค่ไหนก็ยังถ้าเราเข้าใจมันแล้วเนี่ยยังยังถานเด็กๆ เ, เนี่ยนอนหลับหมดแล้วสองคนนี่ขี้นี่เราชอบไหมเห็นไหมทุกคนเว้ยเหม็นเหมนเม็นเ ม, นมนแต่ในตัวเรานี่ขี้เต็มไปหมดเลยเห็นไหม ที่โลภที่โกรธที่หลงที่อิจฉาที่ลิษยาที่เกียดที่กังวลที่กลัวที่กาดที่เกลื่อนที่ใครที่หูที่ตาที่ะไแต่ไม่หมดเลยแล้วทุกวันนี้ขี้กลัวขี้ไก่ขายได้เลยเห็นไหถ้าอะไรเราชอบมันมีประโยชน์เราก็ไปซื้อมาด้วยไงเห็นไหมอะไรที่เราชอบแต่บังเอิญว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่เฮ้ยมันไม่สารวมมันไม่เรียบร้อยเนี่ยฉันไม่ชอบ ไม่ชอบไว้ก่อนต้านไว้ก่อนเลยว่าเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าอะไรเนี่ยนะอันนี้เกิดจากอะไรเกิดจากขี้สงสัยขี้ลังเลขี้กลัวคือเกิดจากขี้เราเองเนั่นแหละแต่เราก็ไปโทษเป็นพ่อเลยจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะพวกครูชอบหลวงพ่อ น, นิวัตเนี่ยตอนไปเชียงใหม่ท่านก็ไปบรรยายมีคนก็ถามเนี่ยเห็นไหมอุ้ย อะไรจะปั่นนั้นน่ากลัวมากอะไรอะไ ร, ะไรท่านบอกว่าแอปเปิลลูกหนึ่งเนี่ยก่อนจะแปลลูกให้กลายเป็นน้ำแอปเปิลเนี่ยลูก ส, สวยๆเห็นไหมแต่เราอยากกินน้ําแอปเปิ้ลเนี่ยต้องเอาไปปั่นท่านบอกตอนกําลังปั่นอยู่ดูี่มันเป็นแบบนี้เลยล่ะลูก ส, สวยๆจะกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ยังก็ขยะเห็นไหมท่านบอกต้องอดทนเมื่อปั่นเต็มที่แล้วจะกลายเป็นน้ำน้ําแอปเปิลที่น่าดื่ม อันนี้เราไปติดรูปแบบว่าเอ้ยตั้งสมาธิต้องชวยสวยงามงามสำรวมนะไปแก้งขังกันไปแก้งขังกันขังกันอยู่นั่นแหละนะนะปีหนึ่งมี365วันไปแก้งขังกัน5วัน10วันนะนะแล้วไปเจริญสมาธิไปเจริญสติมักนี่มันต้องเดินทุกวันนะ ไม่ใช่เดินบ้างไม่เดินบ้างเนี่ยมันก็ต้องเดินไปเรื่อยๆใช่ไหมชีวิตเราต้องเป็นมาร์กทั้งหมดเนี่ยมาร์กขจิตถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้แล้วชีวิตอยู่ข้างนอกนี่เราไปทํามาหากินทํางานเนี่ยเราก็เราก็จเจริญมาร์กได้ตลอดนะเพียงแต่ว่าอาการที่มันแรงๆเนี่ยมันจะเป็นช่วงแรกๆนะคนที่มาใหม่นะมันจะเอาตัวยับยักระก่อนแล้วในขณ ะ, ะเดียวกันจิตปัจจุบันก็เรียนรู้กับมันเมื่อเราควบคุมมันได้แล้วต่อไปนี้เราจะเข้าออกเมื่อไหร่ก็ได้ มันก็จะเป็นปกติเห็นไหมเราไม่ไม่ใช่ไปต้องมานั่งสมาธิใหม่นะพวกเราจะเข้าไปออกเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อเราชนานาญแล้วเห็นไหมเข้าพุทธไปเดินทางไปเดินเรียนรู้กับมันมันจะฟ้อนออกมาในรูปในแหลงไหนกระชั่งมันเน่ะจิตปัจจุบันเรียนรู้กับเขาเพราะครูไม่อยากใช้คําว่าตามรู้เนี่ยมันจะติดบ่วงตามรู้เพราะอยากอยากรู้ตามดูเพราะอยากเห็นนะมีแต่ว่าจิตในจิตจิตเห็นจิตสักแต่ว่าเห็น ผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านก็คือล้างออกล้างออกล้างออกจิตปัจจุบันก็จะเกิดประสบการณ์ขึ้นโดยเราไม่รู้ตัวมันก็จะเห็นว่าร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราเห็นไหมแล้วผ่านร่างมารู้ไม่ไม่รู้กี่ร่างแล้วมันก็จางกายความยึดมั่นถือมั่นกับกายภาพนี้ถึงขั้นจิตหุดพ้นดวงตายเห็นธรรมเห็นไหมต้องแก้ที่ตัวเองนะไม่ใช่ไปแก้ที่คนอื่นเอยัง ทุกอย่างเนี่ยมันจะมีร้อนมีหนาวตอนนี้เริ่มเข้าอากาศเย็นเดี๋ยวก็ร้อนอ่ะมีร้อนมีหนาวทางโลกเราแก้ยังไงอากาศร้อนติดเครื่องปรับอากาศเห็นไหมอากาศเย็นปิดฮิตเตอร์ทำให้มันอุ่นเราไปแก้ที่กายภาพ นะและสิ่งเหล่านั้นต้องเกิดขึ้นจากอะไรบางบางทีเปิดแอร์ใช้เย็นเลยมันร้อนเย็นเลยแต่ว่าใจมันเล่าร้อนเห็นไหมมันก็ไม่สมดุลวิธีปรับสมดุลกับธรรมชาติคือว่าทําให้จิตเราเนี่ยเป็นกลางร้อนก็รู้ว่ามันร้อนเย็นก็รู้ว่ามันเลนแต่ไม่ถูกมันดึงเข้าไปนั่นแหละคือมัชชิมาปฏิปทาเราไปแก้สิ่งแพร่แพร่ร้องภายนอกไม่ได้แต่เราแก้ข้างในได้นี่คือต้นเหตุทั้งหมดที่มันร้อนเกินไปมันเย็นเกินไปมันเกิดจากความรู้สึกของเรา ไม่ใช่เรื่องเรื่องกายภาพเไมแอร์เย็นหมดเลยทำไมทะเลาะ ก, กันเห็นไหมเพราะใจมันร้อนเนี่ยถ้าเราปรับใจเรานิ่งแล้วเนี่ยมันร้อนเราก็อยู่ได้มันเย็นก็อยู่ได้นั่นแหละจิตเราเป็นกลางแล้วทุกวันนี้ร้อนนักก็มักอ้างว่าเย็นนักก็มักอ้างว่าอ้างอยู่ตรงนั้นแหละใครอ้างก็จิตเรานั่นแหละนี่คือคำตอบ ว, ว่าทาไมต้องฝึกจิต มีหลายแนวทางเนี่ยแม่มักเขาอยู่ข้างนอกเขาจเจริญข้างนอกจนให้มันกลายเป็นนิสัยข้างในเนี่ยอันนี้ไม่ทันอีกกี่ร้อยชาติก็ไม่ทันเพราะว่กระแสกรำเราสร้างมาตั้งหลายร้อยหลายพันชาติเราจะมาใช้นี่กรรมชาติเดียวเนี่ยไม่มีทางต้องเข้าไปในจิตนะต้องเข้าไปขัดเจ่อจิตให้ผ่องใสนเนี่ยพราครูถึงชอบคําพูดของหลวง หลวงปู่ดุลเนี่ยนะว่าเออแก้แก้คํานี้ใช้ได้แต่เพราะครูนั่งเพ่งคําพูดนี้หลายวันอยู่ว่ามันอยู่ในกรอบไหมมันอยู่ในมัดมันมันอยู่ในมัดมันอยู่ในอริยสัจสี่นะเพียงแต่ว่าโยกโยกโย ก, โ ย, กโยกไอ้คำว่าเห็นแจ้งนี่มาอยู่ข้างหลังนะจิตเห็นจิตเมื่อเข้าไปจิตเห็นจิตแล้วเนี่นี่คือกระบวนการเจริญมัดยังไม่ต้องแจมแจ้งหรอก โดนตีหัวบ้างโดนใครบ้างเนี่ยแหละนี่ยแหละนี่นยนะแห ล, ล, ล, ล, กกละก็อยู่ในมรรคละนะเราเดินป่าเนี่ยล้มลุกคุกคานบ้างเนี่ยแหละอยู่ในมรรคละขอให้เดินอยู่แต่เมื่อเราเห็นอย่างแจ่มแจ้งแล้วนะนะไอ้ตัวผลที่มันเห็นอางแจ่มแจ้งนี่แหละคือนิโรธนะก็คํานี้เป็นตัวที่มาตอกย้ามาเฉลยสิ่งที่เรานาเนินอยู่นะแล้วก็คําสอนของคุณโอโชอะไรก็ช่างเนี่ยมันก็เหมือนมาเฉลย ให้ทุกอย่างเห็นคนอื่นเขาเข้าใจไม่เข้าใจเรื่องของเขาแต่พวกเราเนี่ยหมายถึงว่าชีวิตเราทั้งหมดมาเดินทางเราต้องรู้ว่าเรากำลังทําอะไรอยู่อันนี้สําคัญกว่านะแล้วอย่าไปดูว่าไอ้คนนั้นมันรู้หรือยังคนนี้มันรู้รอย่างมันไม่เกี่ยวหรอกกับคนอื่นเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยเดินไปถึงไหนแล้วนะเพราะคนนั้นไม่ใช่ตัวจริงคนนี้ไม่จริงมันจะวิ่งหานะี่เพราะกลสักวันนึงเดี๋ยวจะห่อให้ดูพอห่อให้ดูแล้วก็บอกโอ้ยมันแสดงละครอีกเหมือนเก่าแล้วละคนเรามันไม่มีวันสิ้นสุด่นะ บางทีเขาบอกว่าพ่อครูหลายปีก่อนตอนพรอครูมาใหม่ๆนี่แรงมากนะพ่อครูไม่ได้กลัวใครนี่ออกไปเผยแพ่เขาก็ถามแรงพรอครูก็ตอบแรงนะนะคือมันเรื่องของจิตนี่มันเป็นเรื่องของมันไม่ใช่ถูกหรือผิดมันเป็นเรื่องของกระแสกรรมที่เราบันทึกไว้ที่แตกต่างกันนะมันมันเป็นเรื่องบุญใครบุญมันกรรมใครกรรมมันใครทําคนนั้นก็ได้ แต่ตอนนี้มันน่าตกใจไหมคะนะว่าพุทธศาสนาเราเนี่ยครูบาอาจารย์ที่เรียนมาจนถึงระดับสูงสุดแล้วเนี่ยยังมาตั้งโจทย์ตั้งธงไปอีกแบบหนึ่งซึ่งมันออกนอกลู่นอกทางของอริยสัจสี่หมดมรรคของเขาเนี่ยกลายเป็นว่าก็เขาประกาศเขาตั้งธงเลยว่าเขาจะไม่ไปนิโรธไม่ไปนิพพานไงเขาก็เลยไม่จําเป็นต้องต้องเข้าไปในมรรคขจิตไงเมื่อตั้งโจทย์ผิดแล้วเนี่ยเมื่อเห็นผิดเป็นชอบมันก็ดําหลี่ไม่ชอบทุกอย่างไม่ชอบหมด ขยันแบบโงโงๆโโไม่สําเร็จแล้วบังเกิดมาเขาไม่ต้องการสําเร็จแบบนั้นไงเขาไม่ต้องการนิพพานไงเมื่อตั้งโจทย์ตรงนี้ผิดแล้วมันก็ผิดไปหมดไงแล้วทีนี้ทุกคนก็แล้วทีนี้เราจะมาปฏิบัติศาสนาทําไมละ่ะถ้าทุกคนคิดเหมือนกันหมดว่าฉันจะเป็นพระโพธิสัตว์ฉันจะไปนคนสุดท้ายหมดเพราะสุดท้ายหมดแล้วคุณมาช่วยใครคุณมาช่วยใครเพราคุณสอนให้เขาเป็นพโพธิสัตว์ แต่ เ, เรื่องนี้ต้องต้องต้องต้องทบทวนดีๆนะเพราะครูไม่ได้เรียนรู้มากมายว่าพระพุทธเจ้าสอนเป็นภาษาพูดอย่างไงแต่ว่าจับหลักหลังจากวันนั้นศาลาเก่าที่มันไฟไหม้แล้วพราอครูก็มีนิมิตขึ้นมาหลังใหม่เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นไม่มีสาการอย่างนี้มันก็แบ่งเป็นแปดช่องแบ่งเป็นเจ็ดช่องแล้วขึ้นมามันก็เขียนพวกนี้ขึ้นมาหมดเลยพราะครัว อ, อริยสัจสี่เป็นตัวตั้งความจริงยิ่งใหญ่สี่ประการที่พระเจ้าตรัสรู้เนี่ยเป็นตัวตั้ง อันนี้คือแก่นพุทธศาสนาส่วนธรรมะข้อปีกย่อยนั้นนั้นมันเป็นร่องแตกแข น, นไปเป็นการเรียนรู้เข้าไปเฉยๆแต่ถ้าเริ่มต้นเรดแตกออกจากไอ้หลักอริยสัจสีนี้แล้วเนี่ยพระครูถือว่าไม่ใช่แก่นพุทธศาสนาแน่นอนนะเคนะก็ใช้เวลาเกินไปหน่อยยี่สิบนาทีนะก็พูดชดเชยเสาที่แล้วหน่อยหนึ่งนะมันไม่ปกตินะ ก็ให้ทุกคนเนี่ยตั้งมั่นเดินทางต่อไปแล้วก็ขอให้อรัตนาคุณภาษีรัตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพร้อมทั้งบุญกุศลที่เราได้ร่วมกันปฏิบัติมาตลอดเนี่ยให้คุ้มครองทุกคนนะอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นนะขันยืนเพื่อจะได้เดินทางให้มันสัฤทธิผลให้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยวัยเทิ